เห็นก็บอกว่าเป็นหน้าใหม่ <laughs> หน้าใหม่หรือหน้าเด็กเออ เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตั ว, ใ ก, ตวใกล้ขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวจริงๆเป็นตัวเราถ้าตอนไหนที่เราลืมตัวคือลืมธรรมะตอนไหนรู้สึกตัวได้เนี่ยเริ่มเรียนรู้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัว ธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้ไปเรียนที่อื่นความรู้เกี่ยวกับโลกที่จะไปเรียนที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องของโลกโลกเรียนได้แต่ว่าเรื่องหลักที่จะทําให้ความทุกข์น้อยลงจนถึงทุกข์หมดไปเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่พระองค์ เน้นย้ําให้เรามาศึกษาไม่ได้ไปศึกษาเรื่องโลกภายนอกให้มารศึกษามาที่กายที่ใจนี่คําว่ากายใจนี่หมายถึงของแต่ละคนพระอาตมาก็กายนี้ใจนี้อง <c oughs> โยกายกายนั้นใจนั้น <c oughs> กายที่กายใจที่เรากําลังยึดว่าเป็นเรา เพราะว่ากายและใจที่กาลังยึดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นตัวก่อความทุกข์ทั้งปวงถ้าเป็นคนอื่น<ม>เราก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ <c oughs> ไฟไม่บ้านคนอื่น<ม> ก, ก็ก็น่าเห็นใจนะแต่เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้ามันเริ่มลามมาใกล้บ้านเราเฮ้ยจักทุกภวเริ่มเป็นของเรา <c oughs> บ้านเราบ้านของเรา บ้านเราไฟไหม้ก็ยกังอาจจะพอทําใจได้เอาชีวิตรอดมาได้บางคนแบกตุ่มมาด้วยขอให้กายให้ใจนี้รอดกายใจนี้รอดมาถือว่าพอใช้ได้คือมเรอมีความรักกายรักใจของเราที่ว่ารักกายรักใจเพราะว่าเห็นว่ากายใจนี้เป็นแหล่งนําความสุขมาให้ พระพุทธเจ้าให้มาศึกษาศึกษาให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันทุกข์เรามีงานมากมายที่เราต้องบริหารร่างกายไม่ใช่แค่บริหารข้าฟิตเน็ตอย่างเดียวนะยังมีต้องทำความสะอาดตั้งแต่หัว แต่ผมจนถึงปลายเท้ามีอุปรกรณ์ต่างๆที่จะมาดูแลรักษาบํารุงมันให้มันสวยงามให้มันดูดีหวังว่าจะเป็นแหล่งความสุขของเราต่อไปบางทีก็เพื่อให้คนอื่นก็มีความสุขแต่จ ร, จริงก็คือให้ดูแล้วมีความสุขให้เขาชมเราด้วย <laughs> ประมาณว่า <laughs> ฉันสวยไหมฉันหล่อหรือยังอะไรประนี้ เราก็เสียเวลากับการดูแลร่างกายนะดูแลมันยังดีเลย <c oughs> สุดท้ายมันก็ทรยศแล้วมันก็เจ็บก็ป่วยมันก็แก่ก็เหี่ยว <c oughs> อุ่ยซาไปร้อยไหมน <c> ะ <oughs> ร้อยไหมใ ค, ใครไปร้อยแล้วระวังนะเวลาเข้าเครื่องสแกนเพราะว่าหน้าจะไหมเลยใช่ไหม ไปเข้าโรงพยาบาลที่มันก็เรียกอะไรนะ MRI อะไรราะนั้นถ้าไปร้อยไปแล้วห้ามป่วยให้สวยอย่างนั้นอย่างเดียวพอมีภาระเยอะทำงานแล้วก็ต้องพักผ่อนพักผ่อนนอนนอนนานก็เป็นทุกข์ต้องลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาแล้วก็มีภาระนอนนานๆเนี่ยตอนลุกขึ้นมาเนี่ยนะหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงมันหน้ามันเหมือนข้าวมันไก่ถ้าใครผิวขาวก็เหมือนข้าวมันไก่ถ้าใครผิวคล้ำหน่อยก็เหมือนข้าวขาหมูมีหน้าที่ต้องมาชําระใบหน้านี้ อยู่เฉยๆแท้ๆเลยนอนหลับอยู่นิ่งๆแท้ๆเลยนะมันก็ยังแสดงความสกปรกมาหน้าที่ของเราต้องมาดูแลใบหน้าของเราดูแลร่างกายของเราเชา้าขึ้นมาถ้าไม่อาบน้ำออกมานี่ก็จะไม่มั่นใจจะมาคบคนไม่มั่นใจไม่แปลงฝันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่กล้าพูดกับใครไม่กล้ายิ้มกับใครกลัวความจริงปรากฏ เวลาเรามาศึกษาที่กายเนี่ยความจริงของกายจะปรากฏในแง่ของความทุกข์บีบคั้นอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ในในแง่ที่ว่าถ้าอยู่นิ่งไปเนี่ยมันจะปรากฏความจริงถ้าในแง่ของสภาพหนึ่งก็คือมันจะมีความสกปรกมีความไม่สะอาดความไม่สวยไม่งามปรากฏ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีทุกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้นอนนานนา น, นอนทีแรกโดยมีความสุขแต่นอนนานนานไม่ได้ทุกจะปรากฏให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถแม้ใ น, นถ้าถ้านอนเองนะเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาเด็กๆนี่จะพลิกมากใครใครมีลู ก, กน่าจะมีลูกทุกคนนะแต่ท่านี้เป็นผู้ปกครองเท่านั้นใช่หม เด็กๆ เ, เนี่ยจะนอนดิ้นแสดงว่าการนอนถูกทุ์บีบคั้นให้เปลี่ยนท่าบางคนตอนนอนเนี่ยหัวมาทางนี้พอตื่นมาเอาขาไปพาดหมอนคนเป็นแม่จะรู้สึกได้ใช่ไมบางทีลูกเนี่ยดิ้นมาถีบเราไ ม, ไม่ได้ถีบด้วยความโกรธแต่เขาเขามีทุกข์ของเขาโ ต, ตขึ้นแล้วก็เริ่มทนทุกข์ได้มากขึ้นมั้ง นอ น, นอนไม่ค่อยดิ้นหรือใครอย่างนอนดิ้นอยู่ปละในที่นอนจะแคบๆนะถ้านอนดิ้นเนีตกที่นอนดันั้นต้องขยับแล้วจะรู้สึกตัวนี่คือทุกข์ทางกายเวลาศึกษาเรื่องกายเราจะเห็นความจริงของกายปรากฏในแง่ของความไม่สวยไม่งามกับความบีบคั้นเป็นทุกข์ อ๋อมันมันช่วยมั น, นอนญาตเอาอ <c oughs> ได้ได้ต้องเอาอันนี้ออ ก, ออกแล้ววางข้างๆอะไรืมันเกี่ยวนี้เหรอใช่ครับมันเกี่ยวตัวนี้มันปปตัวเครื่องเอเอลเสียบเสียบใหม่ตรงนี้กตัวนี้วาาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ สัมลองสัมรองขออภัยเขบอกไม้มันซ่าเมื่อกี้นี่ไม่เกี่ยวกับตมานะถึงไหนแล้วเมื่อกี้จำได้ไหม นอนดินให้บอกว่าเรียนรู้เรื่องกายเนี่ยกายจะแสดงความจริงสมอย่างอย่างแรกคือความไม่สวยไม่งามอสุภะอย่างที่สองคือเป็นทุกข์บีบคั้นอย่างที่สาคือมันทำงานเองเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอวัยวะบางตา่างบางอย่างของเราร่างกายเนี่ย เราบังคับได้บ้างเราจะเหยียดจะคู่แข็เนี่ยบังคับได้แต่อีกเยอะเลยบังคับไม่ได้หัวใจทํางานก็มันเราบังคับไม่ได้ปอดตับอะไรต่างๆเราบังคับไม่ได้คนไปตรวจโรคมาเป็นไขมันพอกตับจงหายไปเดี๋ยวนี้มึงไม่หายบังคับไม่ได้ไขมันหน้าท้องมีเยอะเกินไปจงหายไปเดี๋ยวนี้ ไม่หายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุมีตอนบวชใหม่ๆนะเจอนักบวชคนหนึ่งคือเตรียมจะบวชพระก็จะตอนจะบวชพระเนี่ยที่วัดจะต้องบวชเป็นผ้าขาวถือศีลแปดเขาดูอะไร โดยจะเป็นคนตั้งใจมากนะแล้วก็มีคนนับถือพอนับถือมากๆเข้าเนี่ย <c oughs> ก, ก็ประกาศตัวเองพอโกนหัวไปนะนะโกนหัวไปเนี่ ย, นะ ก, ยก็บอกนับแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ต้องโกนหัวอีกแล้วประมาณว่าจะทําแบบพระพุทธเจ้าโกนหัวครั้งนี้จะเป็นการโกนครั้งสุดท้ายต่อไปนี้จะไม่มีการงอกใหม่ของผมอีกแล้ว <c oughs> เราก็ช่วยกันดูวันที่หนึ่งมันเริ่มเขียวๆ ข, ขึ้นมาแล้วอันนี้สองเริ่มยาวอ้าวไม่ได้บังคับไม่ได้ผมก็ต้องงอกมาตามปกติของมันบังคับไม่ได้มันเป็นตามแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผมต้องยาวต้องงอกมาถ้าไม่อยากงอกก็ต้องถอนทิ้งไปเลยแบบชีเปลยของทางฝั่งอินเดียถอนทิ้งไปจะถอนแล้วก็ยังต้องมัน มันมีเชื้ออยู่มันก็ต้องงอกนะเนี่ยร่างกายแสดงความเป็นอนัตตาให้ดูเห็นความจริงของร่างกายแล้วจะรักกายนี้ไม่ลงที่แรกเราหลงกายว่ากายนี้จะนำสุขมาให้พอเห็นความจริงของกายแล้วจะรักกายไม่ลงแต่ที่ว่ารักกายไม่ลงไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแล อยู่กับมันเข้าใจมันแต่ไม่หลงมันที่เราหลงอยู่เนี่ยเราหลงกายว่ากายจะเป็นแหล่งที่จะทำความสุขนำความสุขมาให้จะเป็นตัวผ่านจะเป็นตัวผ่านให้เราไปเสพโลกไปดูไปดูโลกสวยไปฟังโลกเพราะๆไปดมโลกหอมๆไปกินโรกอร่อยๆไปสัมผัสโลกที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตามแต่ เราจะต้องการหน้าหนาวอยากได้อุ่นๆหน้าร้อนอยากได้เย็นๆเอาข้อจริงแล้วเนี่ยรักกายก็จริงนะแต่ไม่ได้รักกายในแง่ที่ว่าขอให้มันอะไรรู้สึกตัวอยู่ที่กายไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่รักกายเพียงเพื่อจะเป็นทางผ่านไปรู้ข้างนอกหน้าอะไรมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึง่ง เราทุกคนรักตัวเองแต่ไม่ค่อยสนใจตัวเองพยายามรักษาร่างกายนี้นะแต่เพื่อไปดูอย่างอื่นไปเสพอย่างอื่นไปฟังอย่างอื่นหาคนที่จะมารักกายในแง่ที่ถูกต้องเนี่ยหายากรักกายแล้วควรจะใส่ใจอยู่กับกายแบบมีสติรู้อยู่ที่กายไม่ค่อยมีมักจะไปสนใจข้างนอก สนใจเดินไปข้างถนนก็สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้ารักษาตาให้ดีไปใส่แว่นไปไปดูไปวัดสายตานะทำตาให้มีคุณภาพดีๆเพื่อรับรู้โลกข้างนอกไม่ใช่จะมาดูหน้าตัวเองพยายามจะรักษาอวัยวะให้ดีเพื่อไปเสพโลกข้างนอกไม่ใช่เพื่อที่จะมารู้สึกตัว ตัวที่สงหน้าสงสารที่สุดเลยคือใจชีวิตเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่สองอย่างคือกายกับใจแต่ตัวที่ลืมยิ่งกว่ากายอีกกายนี่ยังแบบสองหน้าเลยยังมาพัดหน้ามันยังแปลงฝันยเลยนะแต่ใจเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเป็นส่วนของชีวิตที่เราลืมมากยิ่งกว่ากายทั้งทั้งที่จิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธาน เป็นต้นเหตุของสุขและทุกข์ทั้งหลายกายที่กำลังสวยงามมีสุขภาพดีแต่ถ้าใจเป็นทุกข์กายที่กำลังสุขภาพดีไม่มีผลเลยดัง <c oughs> นั้นส่วนที่เราควรจะใส่ใจให้มากคือเรื่องของใจภาษาพระเรียกว่าอยู่ที่จิต <c oughs> ดูที่จิตนั้น ครูบาอาจารย์จึงเน้นย้ำมาที่จิตหลวงปู่มั่นรู้จักใช่ไหมอายุอย่างนี้น่าจะเคยได้เคยได้ยินชื่อท่านเท่านั้นอาจจะไม่เคยไปพบองค์จริงหลวงปู่มั่นเคยสอนมีคำสอนอยู่ว่าถ้าถึงจิตก็ถึงธรรมถ้าทิ้งจิตถ้าถ้าเสียจิตก็เสียธรรม คือถ้าลืมไปแล้วไม่ได้สนใจเรื่องจิตก็ไม่ได้สนใจธรรมะนั้นถ้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทางที่รัดสั้นและตรงที่สุดก็คือมาสนใจในจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นแหล่งรวมของบุญของบาปของกุศลของอกุศลรวมทั้งถ้าจะให้ถึงมรรคผล มรรคผลก็เกิดที่จิตพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับก็สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตบรรลุได้ด้วยจิตดังนั้นถ้าจะให้ตัดตรงไปเลยก็คือมาสนใจเรื่องจิตแต่ก็อาศัยกายนี้ด้วยเพราะจิตนี้อาศัยกายอยู่มีพุทธพจน์บทหนึ่งที่ ที่เหมาะสำหรับคนยุคนี้ที่บอกว่าเหมาะสำหรับคนยุคนี้เพราะว่าพุทธพจน์บทนี้พระองค์ทรงสอนพระที่ฟุง้งซ่านยุคนี้ก็มักจะเป็นคนฟุง้งซ่านใครใครที่ไม่เคยฟังพุทธพจน์บทนี้แนะนำให้ไปหยิบหนังสือนิทานนิมโรจะมียัมีนิทานเรื่องนี้อยู่เล่าไว้ละเอียด พุทธพจน์เนี่ยพระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีซึ่งธรรมดามากเพราะท่านไม่ใช่คนไทยเป็นคนมคตจะพูดภาษาบาลีก่อนนะทูรังขะมังเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยิน ฟ, ฟังภาษาบาลีแบบไม่เข้าใจไปก่อนนะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังพระองค์ตรัสว่าทูรังคะมังเอกาจัรังอะสรีรังคุหาสยางอันนี้ แสดงลักษณะของจิตสี่แบบทูรังขมังแปลว่าไปไกลจิตนี้ไปไกลทูรังทูระคนไทยจะคุ้นกับว่าโทระโทรค ม, มนาคมโทรเลขโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะโทรศัพท์ก็เสียงมาจากทางไกลโทรทัศน์ก็ภาพที่มาทางไกลการมองเห็นได้ไกลๆทุระกันดาลถิ่นที่อยู่ห่างไกล โทระทูร ะ, ระเนี่ยนะเป็นศัพท์เดียวกันทูรังขมังขมะแปลว่าขมะแปลว่าไปคำคล้ายๆเสียงภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษคำแปลว่ามาแต่ขมะภาษาบาลีแปลว่าไป <laughs> ทูรังขมังก็ไปไกลไปไกลไปได้ไกลๆคิดถึงอเมริกาไปได้เลยคิดถึงอังกฤษไปได้เลยคิดถึงเมืองจริงก็ไปได้ไปได้ทันทีไม่เฉพาะในโลกด้วย คิดถึงดวงอาทิตย์ก็ได้ถึงดวงจันทร์ก็ได้เดี๋ยวจะมีดาวพระรหัสใหญ่ๆมาให้ดูก็คิดได้ไปถึงดาวพระรหัสไปได้เลยไปได้ไกลลักษณะที่หนึ่งนะลักษณะที่สองเอกจรังคือไปทีละขณะเอกแปลว่าหนึ่งจระแปลว่าแล่นหรือจรไป ก็คือที่ว่าไปที่ว่าไปไกลเนี่ยไปทีละขณาทีละขณะหมายถึงว่าจิตเนี่ยไม่ใช่มีดวงเดียวเราจะรู้สึกคนปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวตายจากความเป็นคนชาตินี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตจะลอยไปเหมือนเป็นอะไรวิญญาณในความความรู้สึกของคนไทยนะเหมือนมีวิญญาณออกจากร่างนี้เดี๋ยวไปหาร่างอื่น จริงๆแล้วจิตเกิดดับเป็นขณะคนที่ตายในชาตินี้คือดับดับจากความเป็นคนในชาตินี้และไปเกิดใหม่ก็คือไปหาที่ไปไปตามบุญหรือบาปที่ตนเองสร้างเอาไว้มีบุญมากก็อาจจะไปเกิดในที่เป็นสุขที่เรียกว่าสุขติไปเป็นเทวดาไปเป็นพระพรหมหรือว่าเป็นมนุษย์ต่อถ้าบุญไม่พอก็จะไปอยู่ที่ต่าๆที่ต่าๆหมายถว่าภพภูมิที่ต่า เป็นทุกติก็เป็นสัตว์เรยชฉานเป็นเปรตเนืสุรกายเป็นสัตว์นรกไปตามอะไรวิบากของกรรมจิตเกิดดับเป็นขณะขณะขณะหนึ่งอยู่ที่ที่นั่นขณะหนึ่งก็อยู่ที่นั่นแล่นไปไกลด้วยแล้วที่ว่าไปไกลไปทีละขณะไกล มีทั้งไกลในลักษณะของระยะทางอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างระยะทางไปอเมริกาไปดาวเคราะห์ดาวิกอะไรพวกนี้นะในแง่ของระยะทางไกลอีกแง่หนึ่งคือไกลในแง่ของระยะเวลาไปอดีตอันยาวไกลนึกถึงภาพของเราตอนเด็กๆนึกได้ไหมอดีต น, น, นานนานมาแล้วนานมากอนาคต ชักสั้นๆแล้วนะอนาคตอดีตอันยาวไกลนึกได้บางคนนึกได้ถึงขนาดแล้ลึกชาติได้อดีตระยะเวลาและระยะทางความไกลของจิตที่เราลึกไปได้หรือนึกได้เนี่ยไปไกลได้สองแง่แต่ทั้งหมดนี้ไปทีลักษณะจะเห็นชาตตอนที่ว่ามันมีความโกรธและมีความรู้ตัว ถ้าเราโกรธแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวหมายถึงว่ารู้ว่าเมื่อกี้โกรธขณะที่โกรธกับขณะที่รู้ว่าโกรธเนี่ยคนละขณะกันความโกรธดับกลายเป็นขณะที่โกรธนะ ด, ดับกลายเป็นขณะที่รู้ขึ้นมาเช่นสมมติว่ากำปั้นนี้เป็นจิตกำปั้นนี้เป็นจิตนะสมมติว่ากำปั้นนี้เห็นโยมคนนี้หน้าตาดูดีแต่ว่าเหมือนคนที่เคยแย่งแฟนเราในอดีตอย่างเงี้ยนะ ดูแล้วก็หมั่นไส้หน้าตาดีแล้วเหมือนศัตรูเก่าเกิดโทสะอาจจะเกิดโทสะมาหลายหลขณะนะแล้วกว่าจะเกิดโทสะได้ต้องคิดก่อนเช่นคิดว่ามันเหมือนหน้าเหมือนศัตรูเก่าเราอย่างงี้นะสมมตินะดับไปจริงๆมันดับทุกขณานะดับไปขณะสุดท้ายพอดับไปแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้มีโทสะเนี่ยนะตอนรู้ทันนี่เรียกว่าขณะที่มีสติรู้จิต ตอนที่โกรธอยู่เนี่ยเป็นอกุศลตอนที่มีสติรู้จิตคือรู้จิตเมื่อกี้นี้แบบทันดีทันใดเรียกว่าเป็นขณะที่มีสติรู้จิตเป็นกุศลกุศลกับอกุศลอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันไม่ได้ดังนั้นขณะที่โกรธเป็นอกุศลดับไปแล้วขณะใหม่เกิดขึ้นมารู้จิตเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นขณะ น, นี้แสดงยืนยันว่า จิตที่โกรธเมื่อกี้นี้ดับไปจิตขณะใหม่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ไม่นานดับไปด้วยเดี๋ยวก็เผลอเผลอไปใหม่ <c oughs> การเจริญสติดูจิตะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเกิดดับจริงไม่ใช่มีดวงเดียวแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปตรงนี้ลอยไปลอยมาไม่ใช่กระสือ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นลักษณะของจิตสองอย่างนะสองอย่างแล้วใช่ไหมอย่างที่สาม ทวนนะทวนทูรังขะมังไปไกลเอกจรังไปทีลักษณะอย่างที่สมอสรีรังอสรีรังแปลว่าไม่มีสรีระหมายถึงว่าไม่มีร่างกายพูดง่ายง่ว่าเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาเนี่ยไม่ใช่มีกายทิพย์นะกายทิพย์ก็คือยังมีกายเทวดามีกายทิพย์กายทิพย์ที่ว่านีย่ยังเป็นกายและเทวดาก็มีจิตด้วย นั้นคำว่าอสเรีรังเนี่ยไม่ใช่มีกายทิพอสเรีรังคือไม่มีกายมันเป็นนามปะธรรมเลยล้วนๆแล้วละจะรู้ได้ไงว่ามันมอนมีอยู่ก็ต้องอาศัยจิตเนี่ยไปรู้จิตเพราะจิตเกิดดับทีละขณะอาศัยจิตปัจจุบนันไปรู้จิตเมื่อกี้นี้จึงจรู้ว่ามีจิตอยู่จริงๆเราเนี่ยนะ จะรู้คน ร, รู้คนนี้หรือว่าจะรู้ว่าตัวเองมีความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงอดีตไม่ใช่รู้ไปเมื่อกี้นี้ทันทีทันใดที่เรารู้จักความโกรธเนี่ยรู้จักรู้จักประมาณว่านึกถึงเมื่อวานนี้เคยไปโกรธคนนั้นเข้าไว้ใช้นึกเอานึกเอาเนี่ยนะยังไม่ใช่การเจริญสติเป็นการคิดถึงว่าเมื่อวานนี้เราเคยโกรธ ถ้าเรามีสติรู้จิตมันจะเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นจริงๆเลยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คิดมันใช่เห็นเอาคือเห็นเอาหรือว่ารู้สึกเอาจิตเนี่ยไม่มีสรีระแต่จะยืนยันว่ามันมีจริงอาศัยสติไปรู้เข้าสติไปเห็นเข้าไม่ได้ใช้สายตาดูไม่ใช่ตาเนื้อดูไม่ใช่หูฟังจิตเนี่ย มีเสียงด้วยนะนะครับว่ามันคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็มีเสียงเคยเคยรู้สึกไหมว่ามีเสียงลำพึงลำพันธุ์อะไรอยู่ในใจมีไหมแค่ภาวนาพุทโธนี่ก็มีเสียงพุทโธเห็นไหมมีเสียงพุทโธเสียงพุทโธที่อยู่ในใจนะเสียงเหมือนเราเป๊ะเลยอาตมาพุทโธในใจก็เสียงเป็นเสียงอาตมาจะเสียงผู้ชายเวลาโยมภาวนาพุทโธในใจก็ต้องเป็นเสียงแบบผู้หญิงและเป็นผู้หญิงแบบโยมด้วย ไ ม, ไม่ใช่ผู้หญิงแบบคนโน้นคนนี้เป็นของเราคนเดียวประมาณอย่างนี้จิตเหมือนปรุงเสียงขึ้นมาแต่เป็นเสียงที่ฟังคนเดียวเว้นแต่ว่าจะมีผู้ที่รู้จิตคนอื่นมาได้ยินเคย <c oughs> มีครูบาอาจารย์ทักโยมว่าโยมคนนี้กำลังสวดมนต์แล้วสวดเป็นภาษาจีนด้วย <c oughs> บอกเออใช่ เขายอมรับนะยอมยอมรับสวดกำลังสวดภาษาจีนอยู่สวดบทอะไรนะบทเจ้าแม่กวนอิม <c oughs> ท่านก็ฟังฟังจำไม่ได้หรอกว่าเขาบทสวดคืออะไรนะแต่ว่ามันเสียงภาษาจีน <c oughs> นี่เรียกว่าฟังเสียงได้ <c oughs> <c oughs> ความคิดมีภาพด้วยนะมีภาพมีโยมท่านหนึ่งไป ฟังทำหลวงปู่สิม <c oughs> ฟังแล้วโอ้โหหลวงปู่สิเทศดีมากเลยนึกถึงว่าแม้เสียดายลูกสาวเราอยู่ต่างประเทศถ้าได้มาฟังเทศของหลวงปู่งปูสิมด้วยเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์กับลูกเรามากหลวงปู่สิมดุเลย <c oughs> ดุโยมคนนั้นเลยที่กาลังนึกถึงลูกอยู่นะ่ะนั่งอยู่นี่ ฟุ้งซ่านไปถึงต่างประเทศตกใจโยมตกใจตกใจแทนที่จะรู้สึกตัวเห็นจิตว่าฟุ้งซ่านนะหมดกลัวหลวงปู่แทนงั้นคนที่อะไรคนที่จะมาเจริญสติดูจิตเนี่ยนะหรือว่ามีความรู้สึกตัวเนี่ยหายากขนาดถูกทักว่าฟุ้งซ่านอยู่เนะี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่าน มวแต่ว่าโอ้หลวงปู่เก่งจังเลยดูสิไม่ยอมมารู้สึกตัวเองนะหลวงปู่เก่งรู้ได้ยังไงเนี่ยกาลังฟุ้งเมื่อกี้นี้หายากนั้นคนที่จะมาเรียนรู้จิตแล้วก็ใจเรื่องจิตพัฒนาเรื่องจิตจนถึงเห็นความจริงของจิตเนี่นะหายากลักษณะของจิตอย่างที่สี่จำได้มหมสามอย่างแรกนี้จําได้ยังอย่างที่หนึ่ง ทูรังเมัาางไปไกลอย่างที่สองเอกจรังไปทีลักษณะอย่างที่สามอสรีรังเป็นนามธรรมต้องใช้จิตไปดูจิตกันเองคือมีสติไปรู้จิตอย่างที่สี่คุหาสยังคุหาสยังแปลว่าอะไรเขาได้ยินเคยยินคนนี้มาคูหาคูหาคูหาแปลว่าทำเรามาใช้เป็นห้องแถว <c oughs> หนึ่งกี่คูหากี่คูหาประมาณว่า เป็นมนุษย์ถ้ำนั่ น, นะคูหาสยังสยังแปลว่าไปนั่งไปนอนไปใช้ชีวิตยอยู่ในนั้นแปลอีกทีก็แปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำจิตเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้าถ้ำที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไปถ้ำตามป่าตามเขาคืออาศัยกายนี้เป็นถ้าเป็นที่อยู่กายนี้เปรียบเหมือนที่อยู่ของจิตดันั้นถ้าจะเรียนรู้จิต ส่วนแบบคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้มาเฝ้าทำเฝ้าทาทํำยังไงครูบาอาจารย์ก็จะสอนดูลมหายใจหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปก็คือกายนี้หายใจอยู่กายนี้หายใจอยู่ถ้าเราทําไม่ได้ทํางานอะไรนะอยู่นั่งอยู่เฉยๆทาในรูปแบบนั่งหายใจแล้วรู้สึกตัวก็คืออาศัยกายนี้เป็นที่อยู่ คือมาเฝ้าทำเหมือนกับเราอยากรู้จักใครสักคนถ้ารู้จักบ้านเขานะไปเฝ้าที่หน้าบ้านเว้นแต่ว่าคนนั้นเขารวยมากมีหลายบ้านรอนานหน่อย <c oughs> แต่นี้จิตเนี่ยมีบ้านเดียวบ้านนี้บ้านเดียวก็มาดูที่เฝ้าที่บ้านจิตมันจะเผลอไปนะเป็นปกติของเราสังเกตตัวเองนะจิตมันจะเผลอไปแต่เผลอไปยังไงก็ต้องกลับบ้านตอนกลับบ้านเนี่ย กับแบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวนีเพื่อให้มีการศึกษาเรื่องจิตก็มาเฝ้าที่บ้านเดี๋ยวพอจิตกลับมาก็รู้ทันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรารู้ถึงจิตเนี่ยนะมันไม่รู้ตอนที่กลับมามันรู้ตอนที่ออกไปเพราะตอนที่เราเฝ้าอยู่ที่บ้านเอาจิตมาเฝ้าใช่ัหมไม่ใช่ว่ามีจิตสองดวงมีกูกลังเฝ้าบ้านแล้วจิต กูอีกคนหนึ่งอยู่กลางนอกไม่ใช่อย่างนั้นนะตอ น, นเราเฝ้าบ้านคือเอาจิตมาอยู่ที่บ้านพอจะเห็นจิตจริงๆเนี่ยคือเห็นจิตตอนที่มันเผลอไปตอนเราเฝ้าบ้านเนี่ยนะจะยังไม่เห็นจิตจิตพออยู่ขออภยัยจิตพอรู้อะไรมันก็รู้สิ่งนั้นมันไม่ได้รู้อย่างสมมติรู้กายเนี่ยมันไม่ได้รู้จิตแต่รู้กายเนี่ยเพียงเพื่อเอากายนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจิตจะเผลอการเฝ้าบ้านเนี่ยนะการ ที่ว่าใช้ลักษณะของจิตว่ามันมีที่อยู่คือครูหาคือกายนี้มาดูที่กายเห็นกายหายใจแล้วเดี๋ยวมันเผลอเผลอเนี่ยจะเผลอไปหลากหลายมากตามช่องทางที่มันมีเอาไว้ติดต่อกับโลกได้ตามที่มีช่องทางมีหกช่องทางมีช่องทางไหนบ้างมีกี่ช่องนะหกช่องเนี่ยมีอะไรบ้าง ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทางเนี่ยเป็นช่องสำหรับเสพโรคเรามาเฝ้ า, าโดยมาเฝ้าที่กายเนี่ยนะเดี๋ยวจิตจะทำงานตอนจิตทำงานเราจะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็เผลอไปแต่ละช่องทางที่เผลอไปเนี่ยนะช่องไหนออกบ่อยที่สุดช่องไหนช่องเจ็ดไม่มี ม, มีแค่หกช่อง ช่องหช่องคือช่องใจหลับตามันก็ยังนึกภาพอะไรได้อุดหูนะบางทีไหมเข้าไปในห้องห้องเงียบๆห้องอัดเสียงเคยเข้าห้องอัดเสียงไหมเงียบๆมันก็ยังนึกถึงเสียงอะไรได้ห้องที่เก็บเสียงเนี่ยเก็บเก็บเสียงทางจิตไม่ได้จริงจิตก็ปรุงเสียงอะไรขึ้นมากายกายไปไหนก็ต้องสัมผัสอยู่แล้วล่ะ แต่ช่องที่ออกจริงๆบอกออกบ่อยจริงๆคือไม่มีอะไรเลยก็ยังอุตสาห์คิดนึกได้ท่านจึงให้สังเกตที่จิตอีกทีด้วยไม่ใช่สังเกตที่ตาไม่ใช่สังเกตที่หูนะสังเกตจิตที่มันทำงานของมันเองเดี๋ยวก็คิดนึกไปตามภาพในอดีตเดี๋ยวก็ปรุงภาพอนาคตเดี๋ยวก็เอาเสียงในอดีตเดี๋ยวก็นึกถึงเสียงอนาคตเสียงอนาคตเคยเคยปรุงไหมวันนี้ท่ันจะบอก ในสมัยหนุ่มๆ น, นะสมัยหนุ่มๆวันนี้ฉันจะบอกรักเขาแล้วเขาจะพูดกลับมาอย่างไงนะอะไรประมาณ <c oughs> ตอนนี้ก็อาจจะนึกอีกแบบหนึง่ง <c oughs> นึกยังไง <c oughs> ช่องที่จิตทำงานบ่อยที่สุดคือช่องจิตนั้นสังเกตที่จิตเวลาเอามา เอากายเป็นเป็นที่อยู่เนี่ยนะแล้วสังเกตจิตมาทำงานในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระที่มีชื่อเสียงอยู่รูปหนึ่งแต่มีชื่อเสียงในแง่การสั่งสอนการจดจาคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเอามาสั่งสอนคนอื่นแต่ตนเองไม่ไม่รู้ทำหมายถึงว่ายังไม่บรรลุ ถึงเป็นพระโสะดาบันพระะกิธาคาอนาคาหรือพระอารหรันยังเป็นปุถุชนพระพุทธเจ้าก็เล็งแล้วว่าคราวนี้จะสอนพระรูปนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกพระรูปนี้ว่าโปทิละเคยได้ยินชื่อนี้ไหมแปลว่าใบลานเปล่าชื่อเดิมจริงๆท่านชื่ออะไรไม่ทราบ ในคำภีไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้บันทึกเอาไว้บันทึกไว้แต่ชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียกพูดง่ายๆภาษ า, าชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะแต่จะใช้คำนี้ก็เดี๋ยวเกรงว่าโยมจะไปอะไรไปไปใช้ต่ออาตมาพูดเองเล่นๆว่าแซวท่านแซวพระแต่ โยมเวลาเล่าต่ออย่าไปเล่าว่าท่านแสวพระนะประมาณว่าพูดเพื่อให้กระตุ้นให้รู้สึกตัวเรียกชื่อว่าใบาลานเปล่าใบาลานเปล่ามาแล้วใบาลานเปล่านั่งแล้วใบาลานเปล่าลุกขึ้นแล้วใบน า, านเปล่าเดินไปแล้วชื่อจริงชื่ออะไรสมมติว่าชื่อกฤิเนี่ยนะแทนที่เลยก็ ชื่อกิีกงไม่ใช่ละต้องเรียกนิมมารโลอลนิมมาโลมาแล้วไม่ใช่เรียกชื่อนิมมาโลเรียกชื่อแต่ว่าอา้าวไบราลนเปล่ามาแล้วใบรแลนเปล่านั่งแล้วใบร า, านเปลาลุกขึ้นแล้วบรแลนเปลาไปแล้ว <c oughs> เรียกเงี้ยบ่อยๆจนท่านสะกิดใจขึ้นมาว่าโอ้ที่พระพ เ, เจ้าเรียกเราด้วยชื่อว่าไบร า, านเปล่าเนี่ยก็คงเป็นเพราะเราจดจำคำสอน แต่ไม่มีความรู้ในแง่ของรู้ธรรมะสกิดใจขึ้นมาและทำยังไงให้เราจะเป็นใบลานที่มันมีธรรมะอยู่ข้างในก็นึกว่าเราถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทาหน้าที่สอนเขาอย่างเดียวไม่ได้สอนตัวเองเลยมือแต่สอนคนอื่นจดจำคำสอนพุทธเจ้ามาก็สอนคนอื่นต่อเพราะนั้น ต้องปลีกตัวไม่ได้เสียดายหน้าที่ไม่ได้เสียดายหน้าตาไม่ได้เสียดายตำแหน่งอะไรขอออกจากงานสอนและด้วยความที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านก็รู้ว่าลูกศิษย์ท่านที่ว่าดี ด, ดีเจ๋งเจ๋งที่เป็นพระอาหารหันตะ์อยู่ที่ไหนกันบ้างท่านก็ออกจากงานสอนตรงนั้นเก็บของเลยนะไปป่ารู้ว่าตรงนั้นน่ะ เป็นที่รวมเลยของลูกศิษย์ ท, ที่ที่มีคุณธรรมไปถึงก็ไปณที่นั้นเป็นวัดป่าพระอยู่กันหลายรูปพระเทระที่สุดในที่นั้นก็เป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนไปถึงพระโพธิละก็ไปขอเรียนกรรมฐานพระที่นั่นก็บอกว่าโอ้ oh, ท่านอาจารย์มาขอเรียนอะไรกับผม ผมต่างหาที่ขอเรียนกับท่านผมเราเป็นลูกศิษย์ท่านผมจะไปสอนท่านได้ยังไงไม่เอาให้คนอื่นสอนดีกว่าคนอื่นทั้งหลายเนี่ยก็เรียงไปตามลำดับนะไล่ไปเรื่อยๆพูดแบบเบียวกันเลยผมจะไปสอนท่านได้ยังไงผมเป็นลูกศิษย์ท่านไล่ไปเรื่อยๆจนถึงพระรูปสุดท้ายไม่มีใครรับสอนเลยจนกระทั่งท่านกำลังจะหมดหวังแล้วนะเหลือไปเห็นเนนอยู่องค์หนึง่ง เชื่อว่าเนนองค์เนี้ยน่าจะสอนท่านได้อุตสาไปขอเรียนกับเนสเนสามเณรตัวเล็กๆไปขอบอกเนนช่วยสอนช่วยเป็นอาจารย์สอนให้ผมหน่อยช่วยสอนกรรมฐานให้ผมหน่อยผมเนี่ยถูกปฏิเสธมาตลอดทั้งวัดแล้วหรือเนนองค์เดียวเนนก็มองแล้วถ้าปฏิเสธอีกคนนึงนะท่านคงไม่ได้เรียนกรรมฐานเลย คงจะใจสลายก็เลยบอกเงื่อนไขจะรับทีเดียวก็ไม่ไม่รับนะบอกเงื่อนไขถ้าบอกว่าถ้าท่านอาจารย์สามารถทำตามที่ผมบอกตามที่ผมสั่งคล้ายๆหนังจีนนะว่าทำตามที่สั่งได้ผมจึงจะยอมรับได้เนรสั่งอะไรว่ามาเลย เน้นสั่งอะไรมาเนี่ยเหมือนคําของอาจารย์เราจะทําตามคําสั่งของอาจารย์เลยงั้นถ้าอาจารย์ลงน้ําเดี๋ยวนี้เลยมีตรงใกล้ๆสระน้ําคล้ายๆที่โรงเรียนร่วงอรุณเนี่ยแต่ตรงนี้มันน่าจะลงลึกไปหน่อยสระน้ําที่นั่นนก็จะไปคล้ายๆจากตื้นค่อยๆตื้นๆแล้วก็ไปลึกๆถ้าลงตรงนี้ก็ลงจุม่มจมเลยนะที่นั้นเนี่ยจะเป็นสระที่มี ชายหาตื้นตืนแล้วก็เป็นลําดับไปลึกเป็นลําดับเน่งก็สั่งให้ลงน้ําเลยไม่ต้องไม่ต้องถอดจีวรด้วยจีวรของท่านเนี่ยเป็นจีวรใหม่อย่างดีมีค่ามากพระท่านก็ทําตามพระโภธิระนะทำตามไม่ไม่ถอดจีวรไม่เปื้อนจีวรเนอะเดินไปไม่เสียดายว่าจีวรจะต้องเปื้อนต้องเปียกอะไรเดินลุยไปพอจีวรเริ่มเปียกน้ําตรงแค่ชายชายนะเน่งก็บอกหยุดครับ พอแล้วครับขึ้นมาได้เรียกว่าทดลองใจทดลองว่าจะทำตามคำสั่งได้จริงหรือเปล่าแล้วนึงก็ชี้ไปให้ดูที่จอมปลวกแถวนี้มีไหมจอมปลวกมีนะน่าจะมีนะป่าปะแบบนี้น่าจะมีและอีกตัวหนึ่งน่าจะมีด้วยเหี้ย <Yeah. S 1> มีไหม <laughs> ที่นี่น่าจะเยอะดูแล้วเป็น น่าจะเป็นแหล่งชุมนุมของมันเลย <laughs> <sh arp> ชีย้ให้ดู <sh arp> เห็นจอมปลดไหมครับเห็นในจอมปลดนั้นมีเหี้ยอยู่ตัวหนึง่งแล้วบอกว่าในจอมปลดนั้นน่ะที่มีเหี้ยอยู่นั้นนะมีทางออกอยู่หกทางมีทางออกอยู่หกทางถ้าเราจะจับเหี้ยให้ได้ง่ายๆก็คือ ปิดซะห้าทางเหลือทางเดียวพอพูดถึงตัวนี้นะด้วยความที่เป็นอาจารย์สอนสอนพระสอนเนนมาพอถึงนี้ปุ๊บอ๋อเนรเข้าใจแล้วเข้าใจเลยคือพอบอกว่ามีหทางเนรนึกถึงอายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วปิดซะห้าทางมันเหลือทางเดียวก็คือเหลือทางใจท่านรู้เลยบอกอ๋อเนรขอบใจมากรู้แล้ว รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็คือกลับมาดูใจมาศึกษาเรื่องใจช่องทางที่เฮียจะออกมีหกช่องทางเหมือนเรามีตาหูจมูกลิ้นก็ายเหมือนกันเลยแต่ละคนแต่ละคนมีช่องทางที่เฮียจะออกหกช่องทางเฮียนี่คืออะไรเฮียนี่คือจิตนะแล้วแหมท่านเปรียบดีนะจิต แบบเฮี้ยเฮี้ย น, นะนะหมายถึงไม่ได้ด่าใครนะหมายถึงว่ามันมันคือเป็นสัตว์ตัวหนึ่งจิตเนี่ยออกไปหกช่องทางออกเฮี้ยออกไปหกช่องทางแล้วเฮี้ยออกทําอะไรก็ทําอย่างที่เฮี้ยจะทําได้ส่วนใหญ่ก็ออกไปแล้วก็เผลอเพลินสร้างกุศล น, น้อยมากอากุศลซะเยอะสังเกตจิตตัวเองในแต่ละวันเนี่ยจะมีกุศลมากหรืออกุศลมาก ส่วนใหญก็จะเป็นอกุศลอย่างน้อยน้อยถ้าไม่รู้ตัวถึงกายถึงใจนี้ก็คือหลงอยู่มีโมหะอยู่เพราะนั้นเราจะมีเหี้ยหลายประเภทหลายพันออกมาตามช่องทางต่างๆมีเหี้ยพันโมหะเหี้ยพันโทสะเหี้ยพันราคะแล้วก็จะมีเหี้ยแบบมานะถือตัวเหี้ยแบบดื้อ สารพัดสารพัดเฮี้ยสังเกตใจตัวเองสังเกตไปแล้วเฮี้ยนี้จะพัฒนากลายเป็นพระอริยะขึ้นมาจากการที่เข้าใจเข้าใจจิตจะเข้าใจธรรมเพราะว่าธรรมะอยู่ที่จิตเข้าใจจิตจะเข้าใจธรรมถ้าไม่สนใจจิตจะไม่รู้จักธรรม ถ้ารู้จักจิตจะรู้จักธรรมถ้าเข้าใจเรื่องจิตว่ามันไม่ใช่เราจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราและใจนี้ไม่ใช่เราด้วยถ้าเข้าใจเรื่องจิตก็คือเข้าใจเรื่องกายเพราะกายเป็นเป็นของที่เข้าใจง่ายๆอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราตัวที่เข้าใจยากก็คือว่าใจนี้เนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยเข้าใจยากถ้ามาศึกษาเรื่องจิต แลจนเข้าใจว่าจิตนี้ไม่ใช่เราเนี่ยนะก็จะกลายเป็นพระโสดาบันถ้าศึกษาไปเรื่อยเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ด้วยก็จะกลายเป็นพระอระหันต์มันอยู่ที่จิตนี้เองแล้วเวลาศึกษาเนี่ยนะเวลาบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่กระบวนการอะไรยาวนานมันแค่แว บ, บเดียวตอนดูในระหว่างขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยนะมาเฝ้าสังเกต ท, ที่กายนี้ก่อน อาศัยกายเป็นอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นที่อยู่ไปก่อนก็คือให้เฮี้ยมันเข้าถ้าก่อนเข้าจมปลวกนี่ก่อนพอมันจะโผล่ออกช่องไหนให้รู้ทันส่วนใหญ่จะมีอยู่สามช่องที่มันจะออกบ่อยก็คือทางใจทางตาทางหูทางหูทางตาเนี่ยจะออกบ่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับทางใจแล้วสู้ทางใจไม่ได้เลยทางใจเนี่ยบ่อยมากแต่ท่านในชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะมีเรื่องทางตา เดินไปเดินมามองอะไรไม่จับอาศัยช่องตาเนี่ยออกไปเดินเดินไปตาไม่เห็นแล้วนะแต่เสียงได้ยินเสียงกอกแกกอกแก๊อะไรก็เนี่ยเสียงอะไรหันไปดูจริงจริมันออกทางหูแล้วเนะี่ยเสียงอะไรกอกแกกอกแกแก็อย่างนอนะเนี่ยนะมัน <_ A> ออกไปออกทางหูนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างก็ไม่ได้ว่าอะไรพอ <_ A> ออกทางหูแล้ว ก็จะออกทางตาถ้าเกิดเลี้ยวไปนะัก็เห็นออกทางตาถ้าออกทางตาแล้วก็จะออกทางใจด้วยใจก็จะคิดนึกอะไรไปตามตามที่จะจะคิดถ้าไม่ชอบใจก็จะออกทางโทสะถ้าชอบใจก็จะออกไปทางราคะถ้าออกไปแล้วไม่รู้ตัวเลยลก็เป็นโมหะออกมาก็ก็เรียกว่าผู้ภาษาง่ายๆออกไปเป็นเฮี่ยสามพัน พันโมหะพันโทสะพันราคะเนี่ยนะออกไปสามพันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะโยมโยมพระก็มีไม่จะไม่จะพูดแล้วกับหมาหาว่าจิตโยมเป็นสัตว์เป็นเที่ยอะไรไม่ใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งพระทั้งโยมเป็นหมดเคยอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งก็ส่งส่งกันมานะคนนึงเข้าวัดไปกับครอบครัว แล้วก็ลืมปิดเสียงโทรศัพท์แล้วด้านมีคนโทรเข้าขณะที่พระกํลลังเทศปิดยงังปิดแล้วนะพอเสียงโทรศัพท์เสียงเรียกเข้าดังขึ้นมาทุกคนหันไปมองลวมน้องพระด้วยแล้วก็พระท่านก็เนื่องจากว่าเป็นใหญ่ในที่นั้นขึ้นเวทีแล้วและไม่อยู่กับท่าน ก็คราวนี้เทศเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่พอเสียงโทรศัพท์ดังมาก็เทศถึงเจ้าของเสียงเจ้าของโทรศัพท์ตำหนิติเตียนต่างๆนานาญาติโยมท่านหลายมองบ้างไม่มองบ้างแต่ใจก็ติเตียนพอเอวังเสร็จแล้วโยมก็ไปต่อว่ากันใหญ่เลยคนนั้นก็เศร้าใจมากเป็นทุกข์ใจว่าเราเข้าวัดครั้งแรกก็โดนด่าซะแล้ว ก้มใจสงสัยเอาดีไม่ได้คืนนั้นไปเข้าเข้าเขาเรียกอะไรเข้าบาร์เข้าขับเข้าบาร์ก็ยังมีอยู่บ่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นอะไรเข้าขับผับเอเข้าผับอืเข้าผับไม่เคยเข้าเออเข้าผับเขาเข้าไปด้วยความที่กําลังคิดมากกังวลว่า กูนี่ก็เอาดีทางวัดไม่ได้มือก็ไปปัดแก้วตกตกน้าก็หกแก้วก็แตกแก้วเครื่องดื่ม่ะนะเครื่องดื่มก็จะเป็นอะไรบ้างไม่รู้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ใช่ไหมตกใจโอ้กูโดนดูอีกแล้วเลย <laughs> ปรากฏว่าพนักงานทั้งหลายมา เป็นไงบ้างครับมีอะไรผมช่วยไหมครับไม่มีใครตำหนิเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสั่งให้ใหม่เดี๋ยวสั่งให้ใหม่เมช็ดแก้วแตกไม่เป็นไรครับธรรมดาครับแก้วต้องแตกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแก้วใหม่ไม่มีใครตาหนิอันนี้อยู่ในที่แบบน่าจะมีเหี้ยเยอะแต่ว่า <laughs> อะไร คนกับกายมันแสดงน้ำใจให้กันเะั้นที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่หมายบอกว่าเฮียจะอยู่เฉพาะข้างนอกหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ในโรงเรียนมันอยู่ได้ทุกที่ที่มันพร้อมจะออกออกจากไหนออกจากใจเราเนี่แหละใจเราจะมีเฮียหลากหลายพันและจะออกตามช่องทางต่างๆสังเกตดูไปสังเกตดูสังเกตได้จะเข้าใจเรื่องจิต เรื่องแรกที่จะเข้าใจเกี่ยวกับจิตก็คือจิตเกิดดับเดี๋ยวก็มีเฮี้ยออกเดี๋ยวก็ดับไปจริงๆเปรียบเทียบเป็นเฮี้ ย, เ น, เ, ยเนี่ยนะก็จะสังเกตยากนิดหนึ่งจริ ง, รงมันคือว่าเดี๋ยวก็มีราคะราคะพอรู้ทันราคะราคะดับเพราะจิตเกิดดับทีละขณะแต่ความจริงอันเนี้ยจะเห็นได้ต่อเมื่อเรามาศึกษาเรื่องจิตด้วยการเจริญสติจิตขณะหนึ่งสมมุติตัวอย่างเดิมเห็นคนคนนี้แล้วนึกถึงว่า เป็นคู่แคนเก่าหน้าเหมือนเฉยๆหน้าเหมือนแล้วก็นี้สมมตินะสมมติเฉยๆสมมุติว่าเนี่ยเหมือนคู่แคนเก่าคู่แคนคนเนี้ยในความรู้สึกเราเลวชั่วสารพัด ส, สัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปนึกถึงแล้วก็มีโทสะเกิดขึ้นมากว่าจะมาถึงนี่ได้ก็จิตเกิดดับเป็นขณะขณะหลายขณะแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อไอ้ดวงนี้ดับไปแล้วเกิดขึ้นมา ถ้ายังเห็นคนนี้แล้วยังนึกต่อก็จะกลายเป็นโทสะต่อแต่ถ้าเป็นจิตที่เจริญสติดูจิตก็จะมาระลึกตอนนี้ยังไม่ใช่คำว่าระลึกแค่คำว่ารู้สึกตัวมารู้สึกตัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตการรู้สึกตัวแบบเนี้ใช้เวลาทันทีไม่ได้ตอดไม่ใช่ทิ้งช่วงนานๆใช่ไหมครใช้ทันทีคําว่าทันทีตรงนี้แล้วว่า ปัจจุบันพอดับไปปุ๊บรู้เลยแต่เป็นปัจจุบันที่ไม่ปัจจุบันแท้เวลาดูจิตเนี่ยวเวลาจะเห็นจิตได้เนี่ยต้องให้จิตดวงเมื่อกี้นี้ดับไปก่อนจิตดวงที่โกรธเนี่ยดับไปก่อนแล้วจิตดวงที่มีสติเนี่ยค่อยมาเห็นแต่ถ้าดูกายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันแท้ๆได้ are. แต่ดูจิตเนี่ยเนื่องจากจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เมื่อรู้อารมณ์ไปแล้วเกิดโทสะไปแล้วมันทาหน้าที่งนี้ไปแล้ว มันทาหน้าที่อื่นไม่ได้แล้วต้องให้อ น, นี้ดับไปก่อนแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนี้ค่อยทาหน้าที่มีสติรู้จิตเมื่อกี้นี้แบบทันทีทันใดอนุโลมเรียกว่าปัจจุบันได้แต่เป็นปัจจุบันแบบต่อเนื่องภาษาบาลีเรียกว่าปัจจุบันสันตติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จิตที่เห็นไม่ได้โกรธจิตที่เห็นจิตเนี่ยไม่ได้โกรธจิตที่โกรธไม่เห็นจิตจิตที่โกรธอยู่เน่เห็นคนและคนเนี่ยเร็วต้องเห็นว่าเร็วจึงจะึงจะโกรธือเห็นแล้วไม่ชอบใจแต่ตอนที่เห็นจิตว่ามีความโกรธเนี่ยขนาดนี้ก็แล้วแต่ว่าเห็นแล้วจะชอบใจหรือไม่ชอบใจอีกทีด้วยถ้าเห็นแบบมีคุณภาพ จะเห็นเฉยๆเห็นเฉยๆจะเห็นแค่ว่ามันมีความโกรธอยู่มีมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เห็นเฉยๆแล้วนะไม่ไม่ไปทาอะไรมันไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ข้ามไม่ได้ไม่ได้ผักสายไม่ได้แก้ไขอะไรอะไ ร, อะไรกับมันนะีนะความโกรธเมื่อกี้นี้ก็จะแสดงความจริงว่าเมื่อกี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วนี่เป็น <c oughs> นี่เป็นเจริญสติแบบแลอะไร่ะ แบบสมบูรณ์คือมีสติเฉยๆไม่เข้าไปแก้ไข <t ie uc Sergio> ขออภัยเ็าเรียกอะไรคันคอคันคอไม่เกี่ยวกับแอร์เย็น <c oughs> ควรจะเย็นดีแล้วด <c oughs> <c oughs> ูจิต <c oughs> สิ่งที่จะเข้าใจเรื่องจิตครั้งแรกคือจิตไม่เที่ยง เมื่อกี้มีความโกรธพอเห็นปุ๊บดับไปแล้วสิ่งที่จะกระจายต่อไปคือไอ้สตินี้ก็ดับด้วยแรกๆยังยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตัวสติก็ดับเห็นแต่ว่าความโกรธดับความโกรธบางทีเห็นเห็นแล้วไม่เห็นว่ามันดับปัญหาคือทําไมถึงไม่เห็นว่ามันดับพอเห็นความโกรธปุ๊บโกรธไอ้ความโกรดนี้ด้วย มันไม่ดูดูเฉยๆมันดูแบบมีอาคาติดูแบบมีการเชี ย, ชยร์เชียร์ใครเชียร์ตัวเองเลยแหละถึงว่าทํายังไงฉันจะเป็นนักปฏิบัติที่ก้าวหน้าเร็วๆไวๆนะเห็นความโกรธไม่ชอบความโกรธเพราะความโกรธมันไม่ดีฉันเป็นคนดี ม, มีฉันอยู่นะฉันเป็นคนดีฉันไม่ควรจะโกรธแล้วก็พอมีความโกรธขึ้นมาก็หงุดหงิดตัวเองว่าทําไมกูต้องโกรธเขาวาหรือว่าบางทีก็รู้สึกว่า ทำไงจะหายโกรธประมาณอย่างี้เห็นความโกรธไม่ได้เห็นแบบเฉยๆไม่ได้เห็นแบบใจที่เป็นอุเบกขาภาษาภาษาพระเรียกว่าเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางถ้ามองด้วยใจเป็นกลางได้จะเข้าใจลำดับแรกเลยคือความโกรธเมื่อกี้มีอยู่ระดับไปแล้วความเข้าใจนี้จะไม่เกิดเมื่อเราดูแบบไม่มีอุเบกขาไม่มีความเป็นกลางทีนี้ มันก็เป็นธรรมดาคนเราเมื่อหันหันมาปฏิบัติธรรมเลยนะศึกษาเรื่องเนี้ยก็หวังว่าเราจะเป็นคนดี <c oughs> ส่วนใหญ่รักดีทั้งนั้นแหละถึงจะมาทางนี้มีใครรักชั่วบ้างในนี้ไม่มีใช่ไหมคนรักดีทั้งนั้นแหละก็อยากให้ตัวเองเป็นคนดีเัราะนั้นเวลาเห็นตัวเองไม่ดีนะมักจะพลาดมักจะพลาดในแง่ที่ว่าพอเห็นความโกรธปุ๊บฮึมไอ้เจืหือเนี่ยนะก็คือก็คือ ไม่พอใจเห็นความโกรธด้วยใจไม่เป็นกลางทีนี้เมื่อเมื่อมันเป็นธรรมชาติเพราะเรายัางทําใจไม่ได้ในการเห็นว่าตัวเองไม่ดีนะพอเห็นความโกรธแล้วก็จึ๊ฮื่ขึ้นมาเนี่ยนะไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยไอ้ดวงดวงที่มันไม่ชอบใจเนี่ยนะมันก็เกิดดับด้วยเพราะมันเอกะจรังจิตเกิดดับเป็นทีลักษณะก็ให้มีจิตรวมหนึ่งที่เกิดมาตามหลังรู้ไปสำทับอีกทีว่าเมื่อกี้ ไม่เป็นกลางนื้อออกไหมพอเห็นว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางเนี่ยนะมันจะเป็นกลางพอดีวิธีของเราไม่ใช่ว่าไปแก้ไขความกโกรธหรือไปแก้ไขอจิตดวงที่มีสติแก้ไขไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือรักดีแล้วเห็นความกโกรธไม่ดีเห็นความกโกรธแล้วอยากจะแก้ไขจิตที่กโกรธเมื่อกี้นี้เป็นพื้นฐานธรรมดาของนักปฏิบัติทัทวท่วไปเลย เวลาอยากจะปฏิบัติตนให้มันดีพอเห็นจิตไม่ดีก็าพยายามจะไปแก้ไขอันนี้เห็นทั่วๆไปซึ่งผิดทําไมผิดเพราะจิตที่โกรธเป็นอดีตไปแล้วรึกออกไหมจิตขณะนี้เป็นตัวรู้ว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตที่โกรธเป็นอดีตไปแล้วอดีตเกิดแล้วดับแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะแก้ไขคือแก้ไขเพื่ได้เฉพาะปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น ไอ้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วแก้ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ทำอะไรกับมันไม่ได้จะทำอะไรก็ได้ก็ทำได้แก้ปัจจุบันนี้ตองนั้นเองนั้นถ้าคิดจะแก้ไขจิตที่โกรธคิดผิดนี่บอกไหมคิดผิดทาไม่ได้ถ้ารู้ว่าจิตเมื่อกี้โกรธแล้วเผลอไปอยากจะแก้ไขจิตที่โกรธเมื่อกี้นี้ให้บอกตัวเองว่าคิดผิดแล้ว ให้รู้ทันว่าเราคิดจะแก้ไขอดีตซึ่งทําไม่ได้บอกแค่นี้บอกกับตัวเองแค่นี้นะแล้วก็ดเดี๋ยวก็ดูใหม่โกรธอีกรู้ทันเฉยๆมันจะคอยเตือนตัวเองว่าไม่ต้องไปแก้แค่ดูเฉยๆก็พอถ้าคิดจะแก่ถามว่าถ้าคิดจะแก้นะมันจะเป็นการทํากรรมฐานแบบหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานทําได้เหมือนกัน แต่มันจะไม่มาเจริญวิปัสนาเพราะมันคลุกอยู่กับงานแก้ไขเพราะจิตโกรธขึ้นมาแล้วเห็นว่าเมื่อกี้โกรธก็พยายามแก้ไขด้วยการเจริญเมตตาเช่นสมมุติว่าเห็นคนนี้แ ล, ล้วโกรธหน้าเหมือนศัตรูเก่าเรานึกมาไม่ใช่หรอกเขาไม่รู้เรื่องเลยอดีตของเราที่เรามีเรื่องกับคนหน้าเหมือนกับคนนี้คนนี้เป็น เพียงแค่คนหน้าเหมือนแล้วตอนนี้เขามาสนใจธรรมะหมุษมานั่งหน้าเสนอหน้าให้เราตรงนี้สแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราหรอกคิดอย่างนี้นะคิดแล้วหายโกรธขึ้นมาได้นะอันนี้เรียกว่าทำสมถกรรมฐานพูดเพื่อกรบความโกรธให้ดับไปคิดเมตตาก็ได้คิดเมตตาว่าออจงไปสุขไปสุขเถิดประมาณงี้นะแล้วให้จิตมันคลายจากความโกรธนี่ก็เป็นการหาเรื่องดีๆมากรบ ไม่ให้ความโกรธนั้นเกิดต่อไปใช้ได้ในกรณีที่ว่ามันจะผิดศีลมันจะแย่แล้วมันจะเกิดเรื่องเสียหายต่างๆนาน า, นาก็หาอะไรดีๆมาคิดเพื่อกรบความโกรธไปก่อนแก้ไขไปก่อนแต่ถ้าจะเอาให้เกิดมรรคผลมันจะต้องไปในแนวทางของวิปัสสนาแนวทางวิปัสสนาคือไม่ไปแก้ไข เห็นไปซื่ออแล้วให้สิ่งที่เห็นนั้นแสดงความจริงให้ดูถ้าสิ่งนั้นที่เราเห็นไม่แสดงความจริงเราก็ยังไม่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เห็นเราก็จะเข้าใจเพียงแค่ว่ากูเก่งรู้สึกว่าเฮ้ยอุบายนี่ดีจัง <c oughs> ใช้ได้อุบายนี้ใช้ได้นมาเคยเป็นอย่างนี้นะแบบว่าใช้อุบายบ่อยๆมีโยมาปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยนะ แล้วก็ใช้อุบายอุบายในการแก้ไขปัญหาเขาฟัง<ม>อุบายไปแล้วเขาก็พอใจกลับไปกลับไปไม่นานกลับมาอีกอุบายเดิมใช้ไม่ได้แล้วมันดื้อยาเขาต้อง อ, อคิดคิดอีกคิวสัง่งพยายามนึกจะใช้อุบายยังไงกับเขาต่อถ้าใช้อุบายนะมันจะคอยต้องหาอุบายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะอุบายเดิมมันจะใช้ไม่ได้นาน เป็นดื้อยาแล้วพอใช้ได้มันก็จะภูมิใจโอ้ oh, อุบายนี่ดีจังเนี่ยความคิดเราดีมากอุานี้มันไม่เห็นว่าความโกรธเกิดดับไม่เห็นว่าความหลงเกิดดับราคะเกิดดับมันเห็นแต่ว่าอุบายเราดีรวมแล้วก็คือกูเก่งนั่นเองดะงนั้นการทำสมถะกรรมฐานทำได้แต่ทำในกรณีที่ว่า เาเท่าที่จําเป็นเท่าที่จำเป็นคือในแง่ที่ว่ามันจะทําความเสียหายแล้วถ้าไม่รีบแก้ไขแบบเร่งด่วนด้วยการทําสมะถะนะมันจะเสียหายแล้วให้ทําสมะถะได้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงกับขั้นเสียหายอะไรแค่มันเกิดขึ้นมาในใจอยู่คนเดียวก็ดูมันเกิดดับดีกว่า <c oughs> เห็นจิตแสดงความจริงว่าเกิดดับเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังเจริญวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสนาคำว่ฐานเนี่ยจะเรียกว่าวิปัสนาได้ต่อเมื่อเห็นสภาวะนั้นแสดงความจริงสามอย่างสาอย่างนั้นเรียกว่าอันนี้จังทุกขขังอนัตตาเนี่ยเป็นภาษาแบบคนไทยเรียกนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นมันแสดงลักษณะความจริงว่ามันเกิดดับนี่คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันถูกบีบคั้นเรียกว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ อันนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาเห็นความไม่มีเราในสภาวะเหล่านั้นสภาวะนั้นคือสภาวะที่เป็นกายและสภาวะที่เป็นใจของเราเนี่ยศึกษาลงมาที่กายที่ใจแล้วก็เน้นมาที่ใจเพราะว่าตัวใจเนี่ยเป็นตัวหลักเวลาเห็นกายไม่ใช่เราแต่เห็นว่าใจเป็นเราอยู่นะก็ยังไม่เป็นพระโสดาบันต้องเห็นใจไม่ใช่เราด้วยจึงเป็นพระโสดาบันเรียกว่าเป็นดวงมีดวงตาเห็นธรรม นั้นมันอยู่ที่ใจตัวหลักตัวแรกก็คือทำความรู้สึกตัวให้ได้รู้สึกตัวคือรู้ที่กายที่ใจเนี่ยจะดูใจให้ได้ก็ต้องมาเฝ้าดูที่ถรำนี่มาที่หลักปฏิบัตินะในพุทธพจน์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ทูรังขะมังเอกจรังอสริรังขวาสยัง อะไรนะไปจิตนี้ไปไกลเกิดดับท่ละขณะไม่มีสรีระและอาศัยถ้ำคือกายนี้อันนี้เป็นการแสดงลักษณะของจิตยังไม่ได้บอกวิธีทำวิธีทำพระองค์มาตรัสต่อมานะอีกสองประโยคภาษาบาลีก่อน <laughs> <laughs> ที่บอกภาษาบาลีก่อนเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นพุทธพจน์จริงๆนะไม่ได้ พระกิจไม่ได้มั่วปรุงแต่งขึ้นมาเองหลังจากที่ทูลังกังมังเอกัจลังอัศรีลังขวะสยังนั้วเนี่ยพระองค์ตรัสสอนวิธีปฏิบัติคือเยจิตตังสัญญเมสสันติโมขันติมารพันธนาเยจิตตังสัญญเมสสันติแปลว่าท่านจงสำรวมจิตหมายถึงว่าสำรวมอยู่ที่จิตอย่าฟุ้งซ่านไปไกลให้มาศึกษาเรื่องจิต คือลักษณะจิตทั้งสอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านจงมาศึกษาเรื่องจิตให้เห็นความจริงทั้งสี่อย่างนี้ก็คือมาสํารวมคือมาศึกษาเรื่องจิตมาใส่ใจจิตตังสัญญะสันติก็คือมาใส่ใจสนใจในการดูจิตคําสุดท้ายโมขันติมาราพันธนาโมขันติหมายถึงว่าหลุดพ้นมาราพันธนามาระ มาราก็คือมานพันธนาก็คือเครื่องพันตัวเลขเลยบ่วงของมานเมื่อสำรวมอยู่ที่จิตศึกษาเรื่องจิตจนเข้าใจแล้วก็จะพ้นบ่วงของมานที่เราไม่พ้นบ่วงของมานสักทีเพราะว่าลืมไม่ศึกษาเรื่องจิตมัวแต่ดูโลกโลกข้างนอกอาศัยหกช่องทางพาใจออกไปศึกษา จิตเนี่ยมันมีคุณภาพอย่างหนึ่งคือถ้ามันรู้อะไรมันจะจะไปขออภัยถ้ามันไปรับรู้อะไรมันจะไปเข้าใจสิ่งนั้นมันจะเข้าใจถ้ารับรู้โลกมันจะเข้าใจโลกคนสนใจเรียนเรื่องอะไรมันก็จะใส่ใจเรื่องนั้นจะเข้าใจเรื่องนั้นถ้าเข้าใจจะเข้าใจเรื่องจิตให้ได้ต้องมาสนใจเรื่องจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อยู่กับโลก สายจิตที่มันออกไปกับโลกนี่แหละเห็นจิตที่เผลอไปเห็นจิตที่เคลื่อนไปเห็นจิตที่มันถล่มถลายไปจิตนี่ทำงานสองลักษณะใหญ่ๆคือเวลาเราเวลาเราดูจิตเนี่ยนะจะเห็นจิตไดส้สองแบบแรกๆจะเห็นจิตมันเป็นอะไรพอไปเสพโลกแล้วก็จะมีราคะโทสะโมหะคือเห็นกิเลส เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนี่แรกๆจะเป็นอย่างนี้นะเห็นง่ายที่สุดคือเห็นกิเลสกิเลสตัวที่เห็นง่ายที่สุดอีกในบรากิเลสนะก็คือโทสะที่เห็นยากรองลงมาคือราคะเห็นยากที่สุดคือโมหะเห็นยากมากโทสะเนี่ยรุนแรงมีโทษมากแต่เห็นง่ายราคะมีโทษมากแต่เห็นยาก แต่วเวลาเวล า, เวลามีราคะเนี่ยจะมีความสุขโมหะยากมากดูยากเพราะมันเป็นความมัวเป็นความมัวความเหม่อความเพลินเพลินเกี่กับโลกที่เราจะดูได้ชัดเจนคือโทสะแล้วยุคนี้เป็นยุคของคนมีโทสะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในสังคมที่มันกระทบกระทั่งกันบอ่อย กันมากอยู่ในห้องนอนก็กระทบกระทั่งกับคนข้างนอกได้หยิบโทรศัพท์มาดูอืตอบโต้มันหน่อยคอมเมนต์ลงไปประมาณอยนี้แล้วก็ภาษาก็อยากเรียนตามอำเภอใจโดยเฉพาะถ้าเกิดบัญชีที่เราใช้ไปเนี่ยไม่โชว์หน้าไม่โชว์ชื่อนันยิน่งโชว์โชว์กิเลสของเราได้เต็มที่ เมื่อมีความกระทบกระทั่งมากโอกาสที่เกิดโทสะเกิดง่ายเพราะว่ากระทบทีไรก็โอกาสที่จะไม่พอใจจะมีมากไม่เป็นไปตามใจอยากโลกนี้ไม่เป็นไปตามใจอยากของเรามันจริงมันก็แสดงความจริงอยู่เรายอมรับไม่ได้ก็ไปโต้ตอบกับโลกเสียเวลาแทนที่จะไปโต้ตอบหันมาดูจิตซะก่อนเราเราจะรักษาศีลได้ง่ายด้วยการเจริญสติดูจิตนี่แหละ ที่เราหลุดปากไปเพราะเจริญสติไม่ทันหรือไม่ทันเจริญ <c oughs> <c oughs> ที่เราทำร้ายเข้าไปเพราะเจริญสติไม่ทันหรือไม่ทันเจริญ <c oughs> นั้นหัดมาเจริญสติดูจิต <c oughs> เพราะกิเลส ต, ต่างๆมันเกิดขึ้นที่จิตการผิดศีลก็เกิดมาจากมีกิเลสแล้วรู้ไม่ทันกิเลสโตจนมาบังคับให้เราไปแสดงออกทางกายทางวาจาดังนั้นถ้าเรา รักษาศีลด้วยการท่องห้าข้อเนี่ยไม่พอต้องหัดมาเจริญสติดูจิตทันทีที่เกิดกิเลสเกขึ้นมารู้ทันหรือไม่ต้องทันทีก็ได้กิเลสเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งให้รู้ทันก่อนที่จะแสดงออกทางกายทางวาจานี่ก็ทําให้การรักษาศีลแทนที่จ ะ, จะกลายเป็นฝืนใจกลายเป็นว่าไม่ต้องฝืนเลยพอมีสติรู้ทันกิเลสศีลได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วเพราะเหตุที่จะผิดศีล ดับไปแล้วสิ่ก็ดีขึ้นคุณภาพจิตก็ดีขึ้นเจริญสติไปแล้วเนี่ยนะนอกจากจะสติดีอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่เจริญสติแล้วจะได้แต่สติอย่างเดียวสิ่งอื่นก็จะตามมาด้วยเจริญสติ บ, บ่อยๆได้ความเพียรมีวิริยะเกิดขึ้นมาดูไปดูไป มันจะเห็นรายละเอียดของจิตมากขึ้นเห็นตั้งแต่เริ่มเคลื่อนจะดูเฝ้าดูเฝ้ากลับมาที่ถเลยนะเห็นกายหายใจไปเนี่ยเห็นตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไปเลยเห็นแต่ละเริ่มเคลื่อนเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ว่ามีราคะโทสะโมหะและ้วมันจะเห็นการทำงานของจิตอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเมื่อกี้บอกว่าเวลาดูจิตนะจะเห็นจิตทำงานหลากหลายทำงานอย่างแรกคือ มันเผลอไปแล้วแล้วเกิดราคะโทสะโมหะคือเกิดกิเลสดูไปดูไปเนี่ยก่อนจะเกิดกิเลสเนี่ยมันมีการทำงานของจิตแล้วทำเองตามลักษณะคุ้นเคยของจิตที่มันทาคือมันชอบออกไปเสพโลกหายใจไปรู้สึกตัวเนี่ยนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวไปเนี่ยเดี๋ยวจิตก็เผลอเวลาเผลอเนี่ยจิตทำงานเองจิตเคลื่อนไปเองจิตไหลไปเองเห็นจิตเคลื่อนได้ ได้จิตที่ไม่เคลื่อนจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าสมาธิตอนเผลอไปแล้วเกิดราคะโทสะโมหะเนยนะเห็นราคะโทษะโมหะเนี่ยจะได้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าได้สติพอเห็นจิตเคลื่อนคำนี้ได้สมาธิสติไป่าความรู้สึกตัว เห็นความเผลอได้ความไม่เผลอตอนตอนไม่รู้สึกตัวนะนะตอนไม่รู้สึกตัวคือเผลอไปเห็นความไม่รู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวพอดีอย่าไประวังรักษาความรู้สึกตัวอไว้นะอย่างเรานั่งอยู่เห็นกายหายใจเนี่ยไม่ต้องไปบังคับใจให้อยู่กับที่ที่เราจะศึกษาไม่ได้ศึกษาว่ากายนี้หายใจแบบไหนแต่เราจะศึกษาว่าอาศัยกายนี้เพื่อศึกษาเรื่องจิต เหมือนมีเฮี้ยอยู่ใน <c oughs> ในจอมปลวกเนี่ยเราจะจับเฮี้ยเราไม่ได้ขังเฮี้ยอยู่ในข้างในเข้าใจไหมเราไม่ได้ขังเหยยยี้ใใ ย, หห ย, ยให้อยู่ในจอมปลวกจะ อ, ออกไปไหนเราจะจับเฮี้ยเพราะนั้นเฮี้ยจงออกมานึกออกไหมใจเราเนี่ยอยู่ในในกายเนี่ยนะมันมีหกช่องทางเราเฝ้าดูที่ใจไม่ต้องขังใจว่าจะต้องอยู่ตรงนี้อย่าเผล่นะไม่ต้องห้ามเราเพียงแค่ สนใจอยู่ที่นี่สนใจที่เราสนใจที่กายไปก่อนแล้วเดี๋ยวใจจะโผล่ขึ้นมาใจโผล่ขึ้นมารู้ทันแล้วเหี้ยเนี่ยมันมีเยอะไอ้จองโผล่นี่ก็แปลกมีเฮี้ยอยู่เป็นอนันต์ <c oughs> มันมีพูดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสนใจเฮี้ย น, นั้นเราจะจับเหี้ย <c oughs> เฮี้ยโผล่มาดีแล้วอย่าไปอย่าไปห้ามว่าเฮี้ยอย่าโผล่คนส่วนใหญ่เวลาทำกรรมฐานมักจะ ชอบที่จะให้มันสงบ เ, เวลาทำกรรมฐานที่อะอาตมานะตอนโบวถ์ใหม่ๆทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จพระรุ่นพี่ๆจะคอยถามเป็นยังไงบ้างสง บ, งสงบไหมแนอะ่คำสงบไหมหลอกใจตัวเองมาตลอดเลยนะไม่ต้องสงบก็ได้ไม่สงบแล้วไม่สงบนะดีดีกว่า ถ้าสงบไม่แล um ้วยงั้นกูต้องทำความสงบนี่ขังเฮียแล้วไม่เห็นเฮียเลยนเห็นแต่แมวน้อยผู้น่ารักนอนสงบอยู่ในใช้ไม่ได้ดังนั้นในเมื่อยังมีเฮียอยู่ควรให้เฮียออกมาแล้วรู้จักมันรู้จักมันไปมเปรียบแรงไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แรงนะ เราจะจริงๆอาตมาไม่เป็นคนแรกที่เปรียบว่าเป็นเทียนะต้องอ้างสมัยพุทธกาลในนิทานเรื่องนี้จิตเราเหมือนเทียอยู่แล้วนั้นไม่ต้องไปปรับให้มันกลายเป็นแมวใ ห, ให้มันเป็นเทียต่อไปแล้วจะรู้ทันมันเวลาออกมา <c oughs> รู้ทันไปแล้วเนี่ย <c oughs> เข้าความว่าใจใ น, ในแง่ของการดูจิตก็เห็นว่ามันเกิดดับ แล้วก็มันก็ทำงานเองเป็นอนัตตาจะเห็นมันเป็นอนัตตาได้เนี่ยนะมันต้องประกอบคุณความดีหรือพัฒนาคุณภาพของจิต3ามเรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งให้มีสติรู้สึกตัวคือมาสนใจที่จิตเรียนรู้เรื่องจิตจะเรียนรู้เรื่องจิตได้ต้องอาศัยกายเป็นที่อยู่เพื่อสังเกตจิต อาศัยกายเป็นอยู่เพื่อสังเกตจิตทีแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราคะโทสะโมหะเห็นราคะโทสะโมหะจะได้สติถ้าเห็นการทํางานของจิตในแง่ที่ว่ามันมีการเคลื่อนจะได้สมาธิเพราะการเคลื่อนแสดงความไม่ตั้งมั่นเห็นการเคลื่อนได้ตั้งมั่นพอดีความตั้งมั่นภาษาบาลีเรียกว่าสมาธิทําวิธีเดียวกันเลยคืออาศัยกายเป็นที่อยู่ไปก่อนมารู้ที่กายและศึกษาเรื่องจิต เห็นจิตในแง่ไหนมันจะได้การพัฒนาคุณธรรมทางจิตตามแง่ที่เห็นเห็นว่าเผลอจะได้ความไม่เผลอความไม่เผลอเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสติเห็นว่ามันไม่ตั้งมั่นมันเคลื่อนไปจะได้ความตั้งมั่นความตั้งมั่นภาษาบาลีเรียกว่าภาษาบาลีนะเรียกว่าสมาธิเห็นความโง่ เห็นความโง่ความโง่เห็นทีไรจะได้ความฉลาดความฉลาดเรียกว่าปัญญาความโง่ที่เราควรจะเห็นก็คือโง่พ<ะ>ัฒนา น, นึกว่ากายนี้เป็นเราไม่ใช่เนี่ยจะเห็นแรกๆนี่จะเห็นอย่างนี้นะความโง่ต่อมานึกว่ากายนี้สวยงามเอ้ยขอพายทีแรกจนะเห็นนึกว่ากายนี้สวยงามแล้วก็เห็นว่ากายนี้ไม่สวยงามนีก เป็นความฉลาดระดับแรกแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาต่อมาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยจึงจะเป็นวิปัสนาต่อมาเห็นจิตเนี่ยเกิดดับก็เป็นวิปัสนาสุดท้ายกว่าจะเป็นโสรบันได้ต้องเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราด้วยโ <c oughs> ง่มาตั้งนานเนื่องว่าจิตนี้เป็นเรา <c oughs> แล้วมันก็เห็นความจริงขึ้นมาพัฒนาคุณธรรมสามอย่างให้เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าพัฒนาด้านจิต พัฒนาด้านจิตเนี่ยนะเป็นภาษาปัจจุบันถ้าภาษาโบราณก็เรียกว่าจิตตภาวนาภาวนาแปลว่าให้เจริญขึ้นจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือพัฒนาให้จิตมันมีคุณภาพสามเรื่องใหญ่ๆมีสติมีสมาธิมีปัญญา <c oughs> จริงๆในขณะที่ทำเนี่ยนะจะมีความเพียนเกิดขึ้นด้วยมีคุณธรรมมีวิริยะความเพียนเกิดขึ้นอยู่เสมอที่มีความใส่ใจในด้านนี้ <c oughs> พอเข้าใจไหมสรุปลงในแง่ของงานปฏิบัตินะในบรรทัดสุดท้ายของพุทธพจน์ก็คือเยจิตต um um ังส ok um an ัญเมสันติมาสมนุมอยู่ที่จิตโมกขันติมารพันธนาเนี่ยคือความหลุดพ้นจากบ่วงของมาเนี่เป็นผลของการปฏิบัติสรุปสั้นๆที่ตามพระพุทธพจน์เนี่ยแค่นี้เท่านั้นเอง จำได้ไั้ยเยจิตตังสัญญเมตสันติก็คือมาสรมอยู่ที่จิตอันนี้อยู่ๆจะสมาสรวมเนี่ยนะมันทำยากสาหรับเราที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยนั้นจะดูจิตได้ต้องไปเฝ้าถ้ำก่อนลักษณะของจิตสี่อย่างนึกออกนะไปไกลไปทีละขณะไม่มีสิรีละอาศัยอยู่ในถ้ำ ดันั้นจะดูจิตได้ต้องไปเฝ้าทำแล้วจิตจะโผล่ขึ้นมาแล้วจิตที่โผล่มาเนี่ยไม่ใช่จิตดีๆเป็นจิตเฮี้ยๆแล้เราจะเห็นจิตที่มันเป็นกิเลสก่อนจิตดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีลองสังเกตจิตตัวเองในรอบวันนะตื่นขึ้นมาจนหลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจิตที่เป็นอกุศลผู้ภาษาแบบเพราะๆหน่อยรีกว่าจิตเป็นอกุศล พูดภาษาตามนิทานนะเรียกว่าจิตเฮี้ยเแล้วการพัฒนาจะพัฒนาไปตามที่เราเห็นนะเห็นความเผลอได้สติเห็นจิตเคลื่อนได้สมาธินะเห็นจิตโง่ได้ปัญญานะจิตโง่หมายถึงว่าจิตที่มันเคยยึดว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเรานะเอาขั้นต้นนี้ก่อน ขั้นต้นเนี่ยคือใ ห, ใ, หให้ได้โซดาบันก่อนน้อยไปเหร อ, อที่หัวเราะนี่มันคืออะไรน้อยไปเลยไง <c oughs> ไม่ยากนะไม่ยาก ถ, าาถ้าเราคิดว่าเฮ้ยจะได้เหรอตอนนี้เรากำลังคิดแบบหนึ่งให้รู้ทันความคิดตัวนี้ความคิดตัวนี้เรียกว่าอะไรฉันไม่มีทางได้หรอกเนี่ย ความคิดแบบอะไรคลั่มครวนน้อยใจประเมินตัวเองต่ำใจเราทางานอยู่เสมอนะใจเราทำงานอยู่เสม อ, นะ เ, อ, เ, สมอเวลาเรากระทบกับโลกเนี่ยแค่ค؛ฟังคำจากพระเนี่ยนะว่าให้ได้ไดสวดาบันไว้ก่อนเป็นการขั้นต้นเราจะมีปฏิกริยากับโลกนี้มีปฏิกริยาอย่างไงให้รู้ทันจิตไม่ว่าดีหรือไม่ดี คิดท้อใจนจริงๆอันนี้คือเป็นความท้อใจว่าจะได้เล้ออะไรไงี้นะประเมินตัวเองต่ำท้อใจให้รู้สึกว่าท้อใจยากไหมหน้องนีไม่ใช่น้องนี่เป็นเพื่อนกัน <y ark> ยากไหม ไม่มีผิดนะถ้าคําตอบในใจว่ายากหรือง่ายเนี่ยนะไม่ไม่ผิดสักสักคำตอบเดียวให้รู้สันเท่านั้นเองว่าเฮ้ยยากกว่าเกิดท้อใจรู้ทํามาท้อใจนี่ใช้ได้ละแม้คําตอบว่าแม่คําตอบในใจบอกว่ายากกว่าเนีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ต้องต้องไม่ต้องเสแสร้งว่าเฮ้ยมันง่ายมันง่ายอันนี้เสแสร้งถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยยาก รู้ทันว่ายากคำตอบนี้คือคำตอบทีถ่ถูกต้องของเราแล้วส่วนที่เราจะรู้สึกคือว่าตอนรู้สึกว่ายากเนี่ยใจเราเป็นยังไงพอบอกว่ายากใจมันเริ่มหมดแรงและท้อถอยรู้สันว่าเออมันท้อถอยสิ่งที่เห็นมักจะไม่ค่อยดีมักจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นไม่ต้องไปตกใจกลัวว่าคำตอบ ในใจของเราดูมันไม่ดีอะไรอย่างี้เป็นปกติเป็นปกติตกลงยากไหมเอาแค่ว่าวิธีการเข้าใจไหมวิธีการที่จะเอาไปปฏิบัติเข้าใจไหมก็คืออาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ที่อยู่ไปก่อนแล้วดูจิต ที่มันเผอออกจากกายนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีปฏิบัติที่เก็บคะแนนได้บ่อย mm. เก็บคะแนนได้มากเพราะไม่ต้องรอให้ mm. นั่งในห้องพระไม่ต้องรอให้เข้าวัดม่ใชไมธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ห้องพระไม่ได้อยู่ที่ตู้พระต่ายพิฎกอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ถ้าเรามาสนใจที่กายนี้เมื่อไหร่เราก็เริ่มเข้าสู่หนทางที่จะมาศึกษาธรรมะ ธรรมะข้อแรกก็คืออาศัยกายนี้ก่อนอาศัยกายนี้แล้วเดี๋ยวธรรมะความจริงที่สำคัญคือจิตจะโผลมาแสดงให้ดูเห็นจิตที่ไรคือเห็นธรรมะแสดงความจริงไปเรื่อยๆเห็นธรรมะในแง่แรกๆก็คือเห็นธรรมะความจรงิงเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นจรงิงๆมีราคะเกิดขึ้นจรงิงๆเห็นของจริงไปก่อนและของจริงเหล่านี้จะแสดงความจรงิงอีกทีหนึ่ง ของจริงทีแรกจะเห็นว่าราคะเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้แยกได้ระหว่างราคะกับโทสะความถือตัวเป็นอย่างนี้แยกได้ลักษณะที่เห็นนี่แมีมีความแตกต่างของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางใจมีความแตกต่างมากมายแยกได้ตรงนี้ภาษาบาลีเรียกว่าเห็นลักษณะพิเศษภาษาบาลีนะเรียกว่าวิเศษลักษณะเห็นลักษณะพิเศษที่แยกได้ว่า ราคะอันนี้โทสะอันนี้โมหะอันนี้ฟุ้งซ่านนนี้หดหูอันนี้คล่ําครวนแยกได้ดูๆไปนะทั้งหมดเนี่ยจะแสดงความจริงอีกแบบหนึ่งคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกทีเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกทีอันนี้เรียกว่ามันแสดงลักษณะแบบทั่วไปลักษณะพั่วไป ภาษาบาลีว่าสามัญลักษณะมีทั่วไปเสมอกันกับทุกสภาวะทีแรกแยกได้ว่าราคะเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้นะแต่ทั้งราคะโทสะโมหะพุ่งเศร้าหลุดูเหล่านี้เกิดระดับทั้งนั้นเลยเห็นความเกิดดับของสภาวะเรียกว่าเห็นสามัญลักษณะสามัญคือทั่วทไปเหมือนยาสามัญประจําบ้านมีทั่วทวไปทุกบ้านสามัญลักษณะก็คือลักษณะที่มีทั่วไปทุกๆุกสภาวะ เกิดมาแล้วต้องดับแล้วทางใจเนี่ยจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบังคับไม่ได้ทำงานเองนั่งนั่งอยู่อยากสงบนะเสียงก๊อกแก๊กไปลเกกนะเสียงไก่ับไม่ใช่เพาะเสียงกอกแก๊กนะเสียงไก่ขันก็ได้เสียงไก่ขันเสียงหมาเห่าอะไรอย่างงี้ห้ามหมาไม่ได้ห้ามห้ามไก่ก็ไม่ได้แต่ใจไปแล้วไปแล้วนี่คือมันทำงานเองจิตทำงานเอง จเจริสติแบบนี้สะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆสะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆเวลามันถึงความเข้าใจสุดท้ายว่าใจนี้ใจกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยนะชั่วขณะเดียวไม่ได้ใช้เวลานานและ ว, วิธีนี้จะจะเร็วเพราะเราจะเห็นอยู่บ่อยๆ ถ้าเราไปทำความนิ่งความว่างนะอีกนานพอใจกับความนิ่งความว่างนะออกมากระทบกับโลกแล้วฟุง้งซ่านไม่เอาไปเข้าไปนิ่งๆอีกไม่ได้เรียนรู้เลยแต่ว่าฝึกไว้หน่อยก็ดีเอาไว้แบบว่าเวลามันหมดแรงเวลาเรากระทบกับโลกบ่อยๆเนี่ ย, ยนะบางทีมันหมดแรงก็ทำสมถะบ้าง แต่ทำตามกำลังําตามกำลังหมายถึงว่ามันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ได้แค่ห้านาทีก็เอาห้านาทีบางคนไม่ได้ห้านาทีด้วยซ้ำไปสนาทีเอาสามนาทีก็เอาสนาทีจริงๆแล้วตอนที่ทำความรู้สึกอยู่ที่กายเนี่ยคือทำสมถะแล้วเห็นกายหายใจนี่คือทำสมถะแล้วสมถะเนี่ยทแล้วต้องเอื้อต่อการเจริญวิปัสนา คำคำสองคาเลยนะพระพุทธเจ้าสอนมาคู่กันสมถะและวิปัสนาไม่มีสมถะโดดๆสมถะและวิปัสนาเพรนั้นจเจริญสมถะก่อนสมถะเพื่อวิปัสนาก็คือว่าเห็นกายหายใจและเห็นจิตแสดงไตลักษ์เห็นกายหายใจและเห็นจิตแสดงความจริงในในแง่ของเรานะีก็คือทําสมถะไปไม่หวังว่าจะต้องสงบจะต้องนิ่งจะต้องว่างแต่หวังว่า จะเรียนรู้ความจริงของจิตจะเรียนรู้ความจริงของจิตได้เนี่ยก็ต้องมาเฝ้าถ้ำอย่ า, า, างที่วาดในบางทีเฝ้าถ้ำเราเฝ้าได้นานตอนเฝ้าได้นานเนี่ยเรียกว่าทำสมถะได้นานนี่เฝ้าได้นานห น, น, น, นาทีก็ทำสมถะอยู่5นาทีแล้วก็ในระหว่างที่เฝ้าถ้ำเนี่ยจิตก็ได้พักตอนจิตได้พักเนี่ยจิตก็มีกำลังมากขึ้นกำลังจะมาอีกทีตอนที่เห็นจิตเคลื่อน ่แปลกนะทีแรกนึกว่าจิตต้องนิ่งจึงจะมีกำลังไม่ใช่หรอกเห็นจิตเคลื่อนน่ยการจิตมีกำลังมากขึ้นเพราะเห็นจิตเคลื่อนปุ๊บได้จิตที่มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเห็นจิตเคลื่อนปุ๊บนะที่ว่าจิตมีกำลังเนี่ยมันผลมัมากดตอนที่ว่าเวลาดูกายจิตมีกำลังนะจะรู้ว่าจิตมีกำลังหรือเปล่าเนี่ยดูที่ว่า เวลาดูกายจะเห็นกายถูกรู้เวลาเห็นกิเลสก็จะเห็นกิเลสถูกรู้ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเวลาเี็กิเลสคือกูกโรกรธกูฟุ้งซ่านขออภัยบางทีอาตมาใช้คำหยาบไปหน่อยข้าว่าเจ้าเอ๊ะก็มไม่ใจเวลาเราพูดในใจเราพูดอนะไเรานะเราฟุ้งซ่านเราโกรธ คนแบบถ้าตอนเราโกรธเนี่ยน ะ, ะแสดงว่าโกรธไม่มากใช่ไหมตอนโกรธจริงเวลาปอดกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโกรธนะนะข้าพเจ้าโกรธอาตามภาพโกรธอะไไม่ไม่ออกใหม่ล้ว น, นะนะส่วนใหญ่จะออกหยาบไปตามนั้นใช่ไหมกูโกรธแล้วนะมึงงอยากขยับอีกนะมึงอย่าพูดอีกคำหนึ่งนะซัดจริงๆเลยประมาณเนี้จะออกมาแนวนี้ พูดเรื่องอะไรเมื่อกี้นีใ้ให้ทําสมถะอให้ทําสมถะด้วยแล้วทําสมถะเนี่ยมันซ่อนอยู่แล้วในตอนที่บอกว่าให้มาดูที่กายก่อนพออยู่ที่กายเนี่ยทําสมถะ <Yeah. S 1> พอดูจิตนะถ้าเห็นจิตแบบเพ่งเอาไว้ก็เป็นสมถะพยายามเพ่งเอาไว้ให้มันอยู่นิ่งๆสมถะเห็นจิตไม่ดีแล้วพยายามแก้ไขให้ดีก็เป็นสมถะ ดังนั้นเราทําสมถะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอาตมาไม่จำเป็นต้องไปบอกสอนเรื่องสมถะอะไรมากจริงๆที่เราควรจะทําคือทําวิปัสสนาให้เป็นนี่ทํายากแล้วไม่ค่อยมีใครทําเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําวิปัสสนาเนี่ยจริงๆก็คือทําสมถะขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตแล้วเห็นจิตเฉยๆเห็นจิตแล้วให้จิตแสดงความจริงเราอย่าไป เปลี่ยนแปลงมันอย่าไปแก้ไขมันอันเนี้ยเป็นทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติแล้วเนะี่ยเห็นทีไรแก้ไขทุกทีให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นกลางให้รู้ทันไปอีก <c oughs> มีคำถามไหมฟังจนงง การนมัสการครั บ, รรบเอาจพอเห็นอนนาตาแล้วมันมันจะมีตัวภาคอ่ครอาะารยอย่างเช่นเห็นคิดไปแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ภาคว่ามันเนี่ย <c oughs> คืออนนาตานะอือ <c oughs> อันนี้คือวิปัสสนาไหมถือว่าหลุดหลุ ด, ลดวิปัสสนาไปแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นการคิดครับคิดคําขึ้นมาแต่ยอมยอมมันพูดไปก่อนครับตอนที่เห็นอนนาตาจริงๆเนี่ยมันจะไม่พูดหรอก ครับตอนพูดขึ้นมานะถ้ามันเห็นจริงนะในขณะที่เห็นกับขณะที่พูดในใจก็คนละขณะกันสังเกตดูเห็นเห็นแต่ว่าก็คือที่สุดแล้วมันจะไม่พูดใช่แต่ว่าไม่ต้องห้ามอย่าพูดครับไม่ต้องห้ามมันมันพูดแล้วก็ต้องต้องให้มันพูดไปครับตอนพูดบรรยายว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นหรือว่าเมื่อกี้รู้อะไรเนี่ยนะมันเป็นอะไร มันเป็นธรรมชาติของของคนประเภทหนึ่งที่อะไรกลัวรู้น้อยอคล้ายๆกับว่าอยากจะอยากจะบอกชื่อมันให้ได้ว่ามันคืออะไรอาตมา ก, ก็เป็นคล้ายๆกับว่ามันไม่ยอมรู้เฉยๆกลัวรู้น้อยกลัวกลัวไปบอกคนอื่นไม่ถูกกะไรประมาณนี้ ให้รู้ทันว่าให้รู้ทันว่าอะไรใจมันดิ้นรนอยากจะหาคามาบัญญัติใส่ไอ้สภาวะเมื่อกี้นี้แต่ว่าในเมื่อมันจะพูดก็พูดไปนะไม่ได้ห้ามไอ้ตอนพูดไม่ผิดตัวสำคัญคือมันมีความรู้จริงหรือเปล่าพอไม่รู้จริงก็ใช้ได้ส่วนมันจะพูดบรรยายอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรอีกนานกว่ากว่าจะเลิกพูดอาถรับ <c oughs> นวัตกรรค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงถ้าสมมุติกรณีเราปฏิบัติมาสักช่วงหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็ยังรู้ว่าเราติดดีอืมธรรมดาเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะติดอย่าติดชั่วอย่าติดชั่วพอเราติดดีปุ๊บอะค่ะเราก็จะมันจะมีอาการของ เวลาเราเราเราเร า, เราทำไปช่วงหนึ่งอะเราก็จะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นกิเลสตัวหนึ่งหรือเปล่าที่มันเหมือนเราก็อยากจะทําความดีหรือเราอยากจะใช้เวลาที่เรามีอยู่อะ่ะให้มันเต็มที่ในการที่เรามีโอกาสที่จะทําอะไรที่มันดีๆกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อะคะ่ะอืแล้วหนูกาลังรู้สึกว่าเรากําลังจะเช็คบาลานซ์ของตัวเองยังไงให้ เพราะเราก็จะมีผลกระทบกับสมมุติอย่างคนที่บ้านใช่ไหมคะค น, คนที่บ้านหรือคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยคือมันอาจจะต้องมีการทํางานหรือทําอะไรไปร่วมกันเงนี้ยแล้วคือเราอ่ะเราเข้าใจว่าตอนเนี้ยคือเรามันค่อนข้างเร็วไปนิดแล้วแล้วคนที่บ้านที่เขาปฏิบัติด้วยเขาเขากําลังตามแต่เขายังตามไม่ทนนะันอ่ะในความรู้สึกของเรานะคะแล้วเราก็เหมือนอยากทําความดีนู่นนี่นั่นคือฉันจะต้องแบบเอ๊้ อันเนี้ยอดเ น, นี้ยต้องทำเลยนะอย่าลีรออย่าลีลาอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแบบต้องทําแล้วก็จบทําเถอะจบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าบามันตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องบาลานซ์นิดหนึงอะค่ะคือเราเร็วแต่เขาช้าอะไรเร็วความเร็วในคือเร็วที่ที่ที่บอกหมายถึงว่าเฮ้ยอันเนี้ยกิจกรรมเนี้ยหรืองานเนี้ยคือต้องทำเลยนะเนเนเนใช่แต่อีกอีกคนที่เกี่ยวข้องกันอย่างอย่างคนที่บ้านคือมัน หลายอย่างมันคือมันต้องอ า, อ, าอาจจะต้องอาศัยเขาในการที่เราจะต้องไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็จะเนิบๆกว่าอะไรเงี้ยให้รู้ทันความไม่พอใจของเราของเราถ้าเรารู้ทั น, นาาะะแล้วอะคะแล้วแล้วเขาจะทำช้าหรือทาไม่ทันใจเราเลยนะเราเราจะไปแก้ไขเขา<ม>ยากหน่อยใช่ใช่หนูก็เข้าใจตรงนี้ คือบางทีหนุ่ม ก, ก็มีวิธีเช็คคือพระจันทร์ที่ที่เราเรียนนะคะท่านกใกล้เช็คเรื่องความเป็นกลาง ห, หนุ่มก็พยายาม <c oughs> ไปเช็คบ่อยๆว่าเรากลางไหมหรือตอนนี้เราให้เยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอยู่วิธีที่จะให้งานราบรื่นค่ะไม่ใช่ไปเร่งรัดคนอื่นอืค่ะแต่ให้ดูใจที่ผิดปกติของเรา บางทีงานช้างานเร็วเนี่ยไม่ได้บอกถึงความดีหรือความเสียหายตัวเสียหายหรือดีเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานนั้นว่าเราดีหรือเสียหายอยู่ถ้าจิตที่เสียหายอยู่คือจิตมีโทสะให้รู้ทันไม่เอาไม่เอาโทสะเข้าไปร่วมในงานนั้นด้วยนี่ออกไหม ถ้เอาโทสะเข้าไปร่วมงานนั้นด้วยเนี่ยนะคนที่เขาเขาอาจจะมีปกติทำช้าไอ้ช้าที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะรอบคอบ <c oughs> <c oughs> ซึงก็ได้นะนี้พอเราไปเร่งเขาเขาก็เลยกลายเป็นไม่รอบคอบงานก็เสียเข้าไปอีกอได้เร็วเหมือนกันแต่ไม่ได้ดังใจอีกอก็แทนที่จะเอาโทสะเข้าไปใช้ให้เห็นโทสะซะก่อนให้โทสะดับไปก่อนแล้วเอาใจปกติเข้าไปพูดคุย บางทีด้วยใจเพียงปกตินี่แหละที่เข้าไปพูดคุยหรือไปไ ป, ไปร่วมงานด้วยนะนคนที่ร่วมงานด้วยเนี่ยเพียงแค่เห็นเราไม่มีโทสะนะเขาก็เต็มใจทำแล้วความเต็มใจทำทำให้งานดีขึ้นเร็วขึ้นบางทีไอ้ตัวโทสะที่เรามีอยู่จากตัวใจร้อนของเราเนี่ยเป็นตัวขัดขวางอยู่ก็ได้งานเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะเสร็จได้เร็วกว่านั้น แต่ด้วยความที่เขาอะไรมันใชหรอะบางทีอยากจะสอนอะไรสักอย่างประมาณนี้นะมีอยู่คนหนึ่งนะเป็นนางพยาบาล <c oughs> เป็นนางพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนางพยาบาลเอกชนกับนางพยาบาลราฐเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเคยเคยเคยเข้าโรงพยาบาลสองแบบปะ <c oughs> นั่นพยาบาลเอกชนก็จะพูดดีหน่อยเอาใจคนไข้เอาใจญาติคนไข้ด้วยพูดจาดีแต่เก็บกดคนนี้นะคนนี้เก็บกดเก็บกฏแล้วแสดงออกเก็บกดตอนไหนตอนถึงบ้านแล้วมาระบายกับสามีตัวเอง ระบายโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้สึกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแสดงออกไม่ได้ถ้าแสดงออกไปเนี่ยนะก็จะมีการให้คะแนนตัดเกรดอะไรพวกเนี้นะอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องระวังก็แผดอะไรได้เต็มที่มาเข้ามาถึงบ้านก็ใส่เกียร์เลยใส่เกียร์บน่นนั่นก็ไม่อยู่ไม่ถูกที่ตอนก็บนไปเรื่อยเลยนะจนสามีลำคาญ วิธีวิธีปฏิบัติของสามีก็คือว่าบนก็บนไปประมาณนี้รองเท้าเก็บไม่ตรงที่เสื้อผ้าไม่ตรงที่อะไรประมาณนี้นะจนกระทั่งตัวพยาบาลเองเนี่ยกลับมาเครียดกลับบ้านบ้านได้ยจะเครียดทุกทีแล้วเขาก็เริ่มเริ่มสกิดใจกับตัวเองว่าทำไมเวลาเราอยู่ที่ทำงานเนี่ย เราพูดดีกับทุกคนได้หมดเลยกับคนไข้แล้วก็พูดดีกับญาติคนไข้แล้วก็พูดดีกับพยาบาลด้วยกันก็พูดดีกับพนักงานโรงพยาบาลก็พูดดีกับหมอก็พูดดีแต่พอมาถึงบ้านทําไมทําไมเราพูดกับสามีของเราไม่ดีเขาลองเปลี่ยนใจเขาเองงั้นเราลองมองสามีเราเนี่ยเป็นคนป่วย <laughs> ว่ามีเาเป็นคนป่วยแล้วก็พูดเอาใจคนป่วยเขาจะพูดอะไรก็จะทําะไ้ไม่ดีก็คิดะว่าเขาเป็นคนป่ยวยนะอพอคิดอย่างงี้นะไม่บน่นกลับมาก็ไม่บน่นรองเท้าอยู่ไม่ตรงอง์ที่เคย ท, ท, ทุกครั้งนะ่ต้องบ่นก่อนคราวนี้ไม่บน่นเก็บเสื้อผ้าถอดกองไว้ไม่บน่นเก็บให้อาหารไม่กินแล้วไม่ล้างจานไม่บน่นล้างให้ ทำอยู่สองสาวันกลับมาอีกทีถอดรองเท้าอ้าวเอ๊ะเรียบร้อยไปตรงนู้นเอ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยถามสามีวันนี้เกิดอะไรขึ้นสามีบอกว่าวันนี้ฉลองฉลองอะไรฉลองได้ภรรยาคนเก่ากลับมาแล้วฮะคนเก่าคือใครไม่รู้สิฉันได้ใ ย, ยขี้บ่นมา อยู่พักหนึ่งฉันเลยทําประชดยายขี้บ่นคนนั้นไปอันนี้นึืงเปเรียบเทียบนะไม่ใช่ว่าโยมขี้บ่นนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพียงแต่เรามีแต่เราปรับปรุงตัวเองนะคนอื่นก็พร้อมที่จะปรับปรุงบางทีบางทีไอ้ที่เรามองว่าเราดีแล้วมองว่าคนอื่นไม่ดีเนะี่ยมันเป็นตัวกั้นขวางการทํางานร่วมกันอยู่ พอเข้าใจไหม <laughs> จริงๆสามีเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอเนี้ยมไม่ดีแต่ทำประชดสามีทำประชดรอว่าอะไรรอว่าเมื่อไหร่เขาจะรู้ตัวสักทีเนาะรอแล้วรอเล่าก็าบ่นเราอย่างเดียวแต่ก็น่าเห็นใจน่ามทีก็คนทำงานมาเครียดๆนะ อยากจะเข้าบ้านแล้วได้พักผ่อนบ้างก็ เ, เจอแต่งานรออยู่อีกเนี่ย น, นีเราทาใจใหม่ลองทาใจใหม่เหมือนเป็นอะไรเป็นการฝึกตัวเองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หมออมลาเล่าให้ฟังรู้จักไหมเคยได้ยินไหมหมออมลามารีลาเป็น เป็นนักปฏิบัติธรรมเก่งอีกคนหนึ่งลูกศิษย์ของปู่สิงทองเคยสัมภาษณ์ท่านเคยคุยกับท่านเป็นเป็นอะไรตัวอย่างที่แบบง่ายๆคือแทนที่จะไปแก้คนอื่นก็แก้ไขตัวเองปัญหาที่คิดจะแก้ไม่ได้แก้หรอกไม่ต้องแก้ แแก้ไขตัวเองปัญหาอื่นแก้ไปด้วยนมัตการพระอาจารย์นะครับกลับเรียนนรัตอาจารย์ก่อนผมพูดกับพระไม่ค่อยเก่งผมพูดอะไรนะผมพูดกับพระไม่ค่อยเก่งภาษาอาจจะไม่ดีกลับขอโทษก่อนนะครับจะพยายามทำใจอย่างเรื่องตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยครับผมมีความเข้าใจได้นะครับ แต่เรื่องที่ว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยอื <c oughs> ผมยังไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรสมควรจะไม่เข้าใจโอถ้าเข้าใจน่าจะไม่ใช่ปุถุชนละเพราะฉะนั้ น, นก็จะเดินสติต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะจมาเองตามประสบการณ์ใช่ไหมครับเราก็ไปดูไปดูจิตให้จิตมันแสดงความจริงให้ดูแรกๆจะเห็นจิตไม่เที่ยงเกิดดับ แล้วเดี๋ยวก็จิตก็แสดงความจริงให้ดูว่าบังคับไม่ได้อย่างเงี hmm. ้ยใส่ใจไปเรื่อยๆเลยคือตอนเนี้ยเป็นธรรมดาที่ยังมีความเป็นเราอยู่ซึ่งดีมากที่เห็นตัวนี้บางคนมีความเป็นเราอยู่แต่ไม่ไ ม, ไม่รู้ไม่ไม่รู้สึกตัวนี้เลยอันนี้แ yeah. ย mm hmm. นะ่คือไม่เคยรเรียกว่าไม่มีข้อมูลตัวนี้เลย mm hmm. ถ้ามีข้อมูลตัวนี้อยู่นะเริ่มมีแนวทางที่จะมาศึกษาละ ก็คือมาศึกษาความจริงของจิตให้จิตมันยืนยันตัวเองมันมีเราจริงไหมมันบังคับได้จริงไหมถ้าเป็นเราจริงต้องบังคับได้ความเป็นเรานะี่หมายความว่าเป็นของเราและเรามีกรรมสิทธิ์ในมันอย่างเต็มที่คือบังคับได้บังคับให้ดีได้ทุกคนอยากเป็นคนดีใช่ไหมแต่จริงๆไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่เป็นเพลงเพลงหนึ่ง <c oughs> เคยได้ยินปะ ถ้าเคยดียนั่นแสดงว่าวายใกล้เคียงกัน <laughs> คือคนที่อยากดีถ้าจะบังคับตัวเองให้ดีได้ดังใจเนี่ยนะแสดงว่าจิตเป็นเราจงดีอยู่เสมอจงมีสุขอยู่เสมอทุกคนอยากมีความสุขจงมีสุขอยู่เสมอบังคับได้ไหมยากจริงยากนิดพูดพูดแบบเอาใจนะจริงจริไม่ได้ ถ้ครับได้นะอย่ามังคับแค่ว่าจงมีสุขอยู่เสมอจงเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เลย <laughs> มังคับไม่ได้จิตนันเป็นไปตามเหตุตามปบาดใจ <c oughs> มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับสิ่งที่เป็นบุญก็มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับสิ่งที่เป็นบาปมีเหตุก็เกิดหมือเหตุก็ดับพอเห็นหน้าไอ้นี่เลยเกิดโทสะขึ้นมาพอเห็นท้าหน้า น, งนานงนี้ก็เลยเกิดโทสะขึ้นมาประมาณเนี้ ก็มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับข้อขัดแย้งที่อยู่ในใจผมข้อนึงนะครับ <c oughs> คือผ ม, มเรียนรู้ว่านี่คือจิตเนี่ยเกิดดับ เ, เป็นช่วงๆช่วงๆใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ในขณะที่ <c oughs> พออยู่ในวัฏฏสงสารปุ๊บเรามีการกลับมาเกิดใหม่ มีความทรงจำเก่ามีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเอ้ยนี่มันเราชัดๆนี่หว่าเอ้ยเอนี่มันเราชัดๆนี่นะนี่หว่าก็ได้นี่หวาก็ได้เอ้ยนี่มันนี่มันเอ้ยนี่มันเราชัดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเอ้ยมันก็มีตัวเราเนี่ยสิถ้าแบบนี้ข้อนี้ครับเป็นข้อที่ผมขัดแย้งอยู่จิตเนี่ยนะใช่ครับจิตตรงนี้ดับไปเป็นเหตจิตอีดวงหนึ่งคือส่งต่อไปข้อมูลต่างๆที่อยู่ในจิตดวงนี้ส่งต่อให้ข้อมูลในจิตดวงนี้ฉนั้น ในการเวียนไหว้ตายเกิดเนี่ยนะมันเป็นการ<พ>อโอนถ่ายข้อมูลระหว่างจิตแต่ละดวงดังนั้นจิตดวงนี้ส่งให้ดวงนี้มันเป็น<า>มันไม่ใช่ชส่งมาให้เฉยเฉยมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นการส่งต่อข้อมูลซึ่งเป็นจิตที่ต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าโยมทําชั่วแล้วอาตมาจะช่วยด้วย<อ>ใช่ไหมมันเป็นไอ้จิตที่โยมทำนั่นแหละถ้าทําชั่วก็เรื่องของโยม ถ้าที่โยมทําดีมันก็ไม่ใช่ว่าอาตมาจะดีด้วยแล้วมันเป็นการพูดโดยสมมตินะะว่ามีโยมมีอาตมาเนี่ยนะจริงๆคือจิตดวงนั้นทําดีจิตอีกอดวงนึงที่ต่อจากดวงนั้นก็ดีประมาณอย่างเงี้ยแลก็มีข้อมูลที่ดีแล้วมันจะมีกรรมกับมีบุญของเราได้ยังไงล่ะครับอะไรนะมันจะมีกรรมมีบุญส่งต่อกันไปได้ยังไงล่ะครับนี่ไงมันส่งต่อคือแต่ว่าไม่ใช่ของเราอ๋อนี้นี่แตมไม่ใช่ของเราใช่ไหมอย่าไปปนกันครับ กรรมและวิบากมีอยู่แต่ไม่มีเราในขณะที่รับวิบากมันถึงว่าก็แค่กายถูกตีถึงว่าเราทำกรรมโดยการที่ว่าไปตีหัวคนนี้ไว้เนี่ยนะคนนี้ไม่ต้องมาตีหัวตมาก็ได้แล้วเดี๋ยวตมาเดินไปก็ลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวเองอ ม, มาต้องเจ็บหัวแน่ พอไปทำคนอื่นเขได้รับบาดเจ็บทางหัวเงี้ยสมมตินะแต่ถ้ามีการแค้นคนนี้มาแค้นดักตีหัวตอนอาตมาลงกระไดเดี <c oughs> ๋ยต้องระวังให้ดีนอะอย่างงี้นะมันนอกจากจะมีวิบากเรื่องทําให้อาตมาต้องเจ็บหัวแล้วนะัยังมีเรื่องของการจองเวรปนเข้าไปอีก <c oughs> งงไหมงงครับงง <c oughs> พยักหน้าแล้วบอกงงด้วยเออคือ <c oughs> <c oughs> เรื่องของการรับวิบากเป็นเรื่องของขันห้านี้เรื่องของความเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเรื่องของจิตที่มีมิจฉาทิฐินี้จิตนี้มีมิจฉ า, าทิฐิอยู่ดังนั้นการเไวียนว่ายใจเกิดก็เป็นไปตามไปตามธรรมชาติการรับผลของกรรมก็เป็นตามธรรมชาติอีกแบบหนึง่งเรียกว่า เรียก อ, อะไรกรรมนิยามเป็นเรื่องกฎกฎแห่งกรรมเป็นความจริงในเรื่องของการทํากรรมและต้องได้รับผลของกรรมเหตุของการทํากรรมก็มีกิเลสเกิดอยู่มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดการทํากรรมและได้รับวิบากเป็นความจริงในแง่ของการกระทําและการให้ผลของการกระทําอย่างนั้นในนั้นเนี่ยจะไม่มีตัวตน ถ้ามีตัวตนนะกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีตัวตนก็จะรู้สึกว่าฉันตีหัวเข้าไปแล้วต่อไปนี้ฉันอย่าได้รับผลคืออย่าเจ็บตัวมันมีตัวตนสามารถบังคับได้ว่าอย่าเจ็บตัวนะต่อไปนี้อย่าเจ็บตัวเหมือนเวลาเราทำอะไรใครไม่ดีนะขอโอ้โหสีกรรมขอโอโหสิกรรมนะขอไม่ได้จริงโอ้โหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลแล้ว และจะไม่ให้ผลอีกมีคำว่าและไม่ให้ผลอีกแล้วก็อยากให้กรรมของเราเนี่ยเมื่อตีเข้าไปแล้วจงเป็นโอโหสิกรรมอย่าให้ผลอีก <c oughs> ซึ่งเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวต้องเจ็บตัว <c oughs> แต่จะเจ็บตัวเพราะเขาหรือเจ็บตัวเพราะคนอื่นหรือว่าเจ็บตัวเพราะสิ่งธรรมชาติทั่วไปที่ที่ไม่มีวิญญาณก็ได้คืออย่าไปปนกันกรรมและการให้ผลของกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องอัตราและไม่ใช่อัตาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอะไ ร, ใ น, ร, ะน ร, รในกระบวนการให้ผลของกรรมนะ่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอัตราในในกระบวนการนั้นด้วยนี่ออกไหมที่ผ่านนี่ยังงงบ้างเหมือนท่านมีนิทานนะในหนังสือพุทธธรรม สมเด็จประยุทธ์ท่านมีนิทานเล่าไว้ว่ามีคนมาเถียงกับพระเนี่ยมีโยมาท่านสมมุติให้ชื่อว่าทิศปลังทิศปลังทิศปลั่งมาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องถ้ามันไม่มีตัวตนเพราะนั้นคนทำอะไรไปย่อมไม่ได้รับผลบอกไม่ใช่ไอ้ที่รับผลน่ะรับผลอยู่แต่ที่รับผลน่ะ คือขันท่ามไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วแต่เราไปถือผิดว่าเป็นตัวตนเท่านั้นเองอธิบายไปทิศปังก็ไม่เข้าใจท่านก็คว้าไม้ตะโพธตีหัวทิศปังปั้งใ <c oughs> นยน ย, ย้โยมอยู่ไกลหน่อยทาไมไม่ถึงฝ่าไม้ตะโพตีหัวทิศปังเ <c oughs> จบ็บปึง้งโอ้ยทิศปังร้องโอ้ย <c oughs> พระท่านก็ถามไ <c oughs> งล่ะเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บในใครเจ็บ เจ็บนี่ใครเจ็บ<ม>ที่ปังก็ผมนี่แหละเจ็บอืมก็ไหนว่าไม่มีตัวตน<ม>พระท่านก็เอาตัวนี้มาเล่นนะว่าตีไปเนี่ยเจ็บก็คือเจ็บจริงๆแล้วมันคือเวทนาที่เกิดขึ้นไม่มีตัวตนแต่ที่ว่ามีตัวตนว่าผมเจ็บทิปังเจ็บ<ม>นี่นะก็คือเป็นความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนแฝงอยู่ในนี้ จริงๆแล้ว ม, มันมีแค่เวทนาที่เกิดจัดผัสสะคือไม้ตะพดสัมผัสกับหัวเท่านั้นเองแล้วเกิดมีเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่มีความเข้าใจผิดคือจิตที่ยังไม่ฉลาดไปยึดเอาว่าหัวนี้เป็นหัวเราแล้วความเจ็บนี้เกิดที่หัวเราคือเราเจ็บแต่ตอนที่เราเจ็บเนี่ยนะมันจะไมบอกว่าเราเจ็บก็การเปว่ากูเจ็บ แล้วที่ทําเนี่ยเป็นพระก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรือกล้านึกออกไหมพอนึกออกไหมเปรียบเทียบอย่างนี้พอออกไหมคือมันวิบากและการให้ผลกรรมกรรมและการให้ผลกรรมก็ทํางานของมันไปแต่มีตัวเข้าใจผิดว่ามีตัวตนแวงอยู่ก็เลยเข้าใจว่ามีตัวมีตนอยู่ในนั้นความยากมันอยู่หนึ่งที่ว่า เวลาเราพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเวลาพูดกับคนทั่วๆไปเราก็จะพูดว่าคนที่ชาติก่อนเป็นเป็นคนนั้นอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดในแง่ที่ว่าเอาสมมติบัญญัติมาพูดเพื่อให้เข้าใจให้คนชาวบ้านเข้าใจถ้าไม่มีไม่มีไม่มีการใช้สมมติบัญญัติอย่างนี้มันจะสื่อกันยากว่าการเวียนว่ายตายเกิดของจิตนี้ ที่เกิดในภพภูมินั้นบัตรนี้มาเป็นคนนี้มาเป็นขันห่านี้มันพูดยากใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้านะเมื่อชาติก่อนเป็นพระเวสสันดรก่อนพระเป็นพระเวสสันดรเป็นเปในมีอะไรเงี้ยก็พูดเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายโดยอาศัยเขาเรียกอะไรสมมุติบัญญัติเข้าไปเรียกว่าชาตินั้นเป็นอะไรชาตินี้เป็นอะไรชาตินั้นเป็นอะไรแต่ในทั้งหมดเนียไม่มีเรา แต่กว่าจะเข้าใจตวนนี้ชาติปัจจุบันเข้าใจแล้วแต่ชาติก่อนๆไม่เข้าใจยังมีความยึดมั่นว่าเป็นเราอยู่แต่พอเข้าใจแล้วพอจะอธิบายให้คนอื่นฟังก็ต้องอาศัยสมมุติบัญญัติก็ไปอธิบายอีกทีอันนี้คนก็เลยเข้าใจว่าอ้าวไม่มีเราแล้วทำไมเรา <laughs> ไปอยู่ในชาตินั้นมันไม่มีเราตั้งทุกๆชาติอยู่แล้ว <laughs> มางทีบรรยายเองก็งงเองเหมือนกันนะ ความงงเป็นอนัตตาถ้าไม่เข้าใจบอกได้นะคือจริงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจครับคือมันพอเข้าหัวไปแล้วครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดจะเข้าใจมันต้องเกิดประสบการณ์เองใช่ถึงจะถึงจะถึงเอาเป็นแนวทางไปก่อนก็เป็นอย่างนี้ใช่ครับจะเข้าใจเป๊ะเลยทีเดียวเนี่ยยากเพราะว่าจะเข้าใจว่า ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยนะก็ต้องไปใส่ใจไอ้ใจตัวนี้เพามันไม่ใช่เราหรือเป็นเป็นเรากันแน่ในระหว่างเป็นเรากับไม่ใช่ไม่เป็นเราแล้วไปยืนยันตัวเองเอาเอาใจเราเนี่ยมายืนยันตัวเองว่ามันเป็นหรือเปล่าคําตอบเนี่ยมีเฉลย อ, อยู่แล้วคําตอบคือพระพุทธเจ้าเฉลย อ, อยู่แล้วว่าใจนี้ไม่ใช่เรา <c oughs> นี่ แสดงว่าตอนที่เราเข้าใจว่าเป็นเราพูดนี้ก็แบบอะไรอะเอาสมมุติบัญญัติแบบทั่วไปมาอธิบายให้เราดูใจเราเนะี่ยคำว่าให้เราดูใจเราเนี่ยนะก็นะคือเราจะพูดยังไงจะไม่ใช้คําว่าเราเนี่นยก็นิงงใช่ไหมให้เราไปดูใจเราว่ามันเป็น เ, นเราจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีคําศัพท์บัญญัติแบบนี้นะสอนยาก ขันห้านั้นไปดูขันห่านั้นให้เห็นว่ามีขันห้าประกอบด้วยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณไปดูเอาเองและพอเข้าใจว่าเป็นเราคือครับใจผิดพูดงี้พูดยากใช่ก็โยมไปดูกายใจโยมนะในพื้พูดแบบให้ให้ถึงการปฏิบัติพอไปดูไปแล้วเนี่ยไม่มีเรา พอไม่มีเรานะพอจะไปพูดกับคนอื่นก็ <c oughs> จะอดไม่ได้เ่นจะมีคำว่าเราเพื่อการสื่อสารแม้แต่พุทธพจน์ใน พ, พระพุทธเจ้าเวลาสอนคนในในระดับที่เป็นอะไรไม่ใช่ลงลึกระดับระดับทั่วไปนะ <c oughs> ก็จะสอนมีคำว่าตนอยู่ด้วยเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งแห่งตน <c oughs> <c oughs> คนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของตนได้ ลัทธิสั้นบอกว่าไม่มีตนเป็นอนัตตามันพูดถึงธรรมะคนารระดับสอนให้คนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นแค่เราจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็คือพัฒนาตนให้มีคุณธรรมขึ้นมาอย่าไปมัวหวังพึ่งเทวดาอย่าไปไหว้เจ้าไหว้เทวดาไหว้เทพอะไรอันนั้นทําให้เราไม่เป็นอิสระต้องทําตนเองพัฒนาขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของตนให้ได้ ที่พึงต้อตอนก็คือทำใจให้มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมามั่นใจว่าแม้จะยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งชาติหน้าต่อไปก็ไม่ตกต่ำเพราะว่าไม่ตกต่ำไม่ใช่ว่าตกสูงนะหมายถึงว่าคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ไปอบายไปไปสู่สุคติ <c oughs> แต่ถ้าสามารถทำ มักผลได้เกิดขึ้นได้ตอนนี้มีที่พึ่งของตนแน่นอนก็ยังใช้คำสมมติอยู่ดีที่พึ่งของตนใช่ไหมต้องแยกให้ออกนี่คือพูดเพื่อสื่อสารทั่วๆไปหรือพูดสภาวธรรมแท้ๆพอพูดสภาวธรรมแท้ๆนั้มันจะลงในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมทีทท่สิ่งนี้เป็นปัจจัยให้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 อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติพอมีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมรัะตามมาทันทีนี่เป็นกระบวนการให้เกิดทุกข์ซึ่งแสดงสภาวะล้วนๆถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่มีตนเลยแต่พูดอย่างงี้นะไปพูด ต, ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะโยมก็หลับแล้วละ่ะ <laughs> มีอยู่คนหนึ่งนะถามพระพุทธเจ้าว่าอะไร <c oughs> ถามว่าที่เราที่ที่เราสุขทุกทุกทุกวันเนี้ยสุขทุกทุกทุกวันเนี้ยนะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรามีสุขมีทุกทุกวันเนี้ยมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ใครทำให้เกิดใช้คำนี้บอกเหตุปัจจัยมันมันเบอร์ไปบอกว่าใครทําให้เกิดใครทําสุขให้เกิดใครทําทุกข์ให้เกิดกับเราแล้วคําถามของเขาเนี่ยมีการถามนําโดยการว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์ใช่ไห ม, มพระเจ้าตรัสตอบว่าไม่ใช่ถามใหม่ ก็ถามอ๋อแสดงว่าไม่ใช่คนอื่นแสดงว่าเราเนี่ยทำเองงั้นสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราทำเองใช่ไหมไม่ใช่ถามใหม่เขาเริ่มงงนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงก็อ๋อทั้งเขาทั้งเรา <c oughs> สุขทั้งหลายเนี่ยสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยทั้งเขาทั้งเราทำให้เกิดใช่ไหมไม่ใช่ถามใหม่เ <c> ฮ <oughs> ้ยักงงนะ งงแล้วงั้นก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่หมดเลยเป็นไปโดยบังเอิญไอ้สุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปโดยบังเอิญใช่ไหมแบบเป็นไปแบบอะไรไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ใช่ถามใหม่เขาก็มึนสุดท้ายงงงงแต่ว่าอย่างดีก็ เ ข, เขารู้ว่างงงงรู้ว่งงเขาอกก็อมองชันไปไม่เป็นแล้วพระค่ะหมดไม่รู้จะถามยังไงต่อไปแล้วแต่ที่ถามมาพระ อ, องค์ปฏิเสธหมดเลยแล้วจริงๆมันคืออะไรผมบอกว่าทุกทุกและสุขทั้งหลายสุขและทุกข์ทั้งหลายนะเกิดจากจะจากอะไรเมื่อกี้ที่ท่องมาเมื่อกี้นะ ผัดสะผัดสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทั้งหลายเนี่ยคือเวทนาทั้งหลายเนี่ยเหตุให้เกิดก็คือผัดสะผัดสะหมาถึงตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งผัดสะเหล่าเนี้มีการกระทบกันอย่างเงี้ยเกิดสุขเกิดทุกข์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ใช่เขาทําไม่ใช่เราทําอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยจึงจะอธิบายในแะง่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีมีอะไรมีบทสนทนาอย่างนี้ก็น่าสนใจดีเอ๊มีคำถามอะไรอีกบ่างเมื่อกี้เห็นใครหยิบใหม่มีไหมให้เวลาอีกสิบนาทีกลับนักมาตรการพระจารย์นะคะ อันนี้จะถามหลักปฏิบัติพื้นฐานให้ลูกอะค่ะให้ให้เด็กอะคะ่ะให้เด็กๆ เ, เพราะว่าคือปกติก็นั่งฟังหมายถึงว่าเวลาขับรถก็ฟังซีดีของหลวงพ่อเงี้ยะคะ่ะคือเขาก็คิดว่าอย่างเรายังปฏิบัติยากเลยในการที่สมมติว่าเราทุ ก, ก็ให้ให้รู้ให้รู้ว่าทุหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามเงี้ยะคะ่ะทีนี้ก็มีวันหนึ่งที่จะเปิดเทอม S <S มันซามันซาใหม่นะใหม่เอ้าต่อไปค่ะเขาก็ตอนจะนอนนะคะปิดไฟแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเครียดแล้วเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วแล้วเขาก็บอกว่าแม่บอกว่าให้ดูลมหายใจเขาบอกว่าเขายิ่งทุกข์ <S <S <S ทีนี้ก็ก็สอนเขาไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าก็บอกว่าเห็นใจที่ทุกข์ไหม เขพูดได้แค่นั้นนะคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาก็เลยพิกตัวพิกตัวแล้วก็เหมือนกับกระสับกระสายอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออนอนนะไม่เป็นไรหรอกปล่อยอเราก็จะบอกตามที่เราได้ฟังว่าเออก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปไงะะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยากยากสําหรับเด็กๆก็เลยจะขออความเมตตาพระอาจารย์ว่ามีหลักอะไรง่ายๆไหมคะที่เวลาที่เด็กๆ เ, เขาเจอ ก, กขเขาปอหกอะคะ่ะสิบเอ็ดปีอะคะ่ะ อืคือเวลารู้ว่าตัวเองไม่สบายใจเนี่ยนะกวลังกำลังหงุดหงิดเนี่ยนะเด็กๆบางทีก็รู้ได้แต่ว่ารู้แล้วเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วปล่อยเฉยๆคือถามว่ากำลังหงุดหงิดอยู่รู้ไหมรู้แต่ก็ยิ่งถูกถามยิ่งหงุดหงิดเป็นไหมเราก็เป็นเนาะ กำลังงุดหงิดอยู่ขี้เกียจตอบๆๆนึกประมาณนี้แต่ส ก, กิตรู้นิดหนึ่งว่าเห็นไหมว่ากำลังหงุดหงิดอยู่ถ้าเห็นนะอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้จมกับความหงุดหงิดแทนที่จะรู้ทันแล้วแล้วก็จมอยู่ในกับสภาวะเดิมเลยนะพลิกมาเรียกว่าทําสมถะก่อนวิธีทําสมถะเนี่ยก็ดูว่าเขาชอบอะไรเด็กๆอาจจะใช้วิธีทําสมถะง่ายๆเช่น ดูลมหายใจจะไม่ใช่ดูลมหายใจรุนรุนอาจจะนึกเป็นตัวการ์ตูนอะไรสักตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เผลอไปอาจจะดูเป็นตัวอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีการ์ตูนอะไรที่เด็กนิยมนิยมกัน่ะสักตัวหนึ่งก็ได้มีอะไรตัวนี้ก็มีอะไรไม่รู้ฮะโปเกมอนยังมีอยู่กันไหโปเกมอนเนี่ย รู้สึกหนาด้านนั้นโปเกมอนเนี่ <c oughs> <c oughs> อ่าสักตัวหนึ่งอ่ะหรื อ, อเป็นการ์ตูนอะไรก็ได้นะนี่เป็นแบบว่าเด็กๆนะเด็กๆนะอาศัยอาศัยรู้อะไรแล้วมีความสุขคือเขาชอบดูอะไรมีความสุขกับสิ่งนั้นนะกนะ็คือหาหาอะไรความปรุงแต่งให้มันมีความสุขขึ้นมาเห็นว่าตรงเนี้ยมีตัวนั้นอยู่ แล้วพอเผลอไปอ้าวตัวนั้นหายไปแล้วเนี่ยรู้ทันหาเรื่าหาเครื่องเล่นหาของเล่นให้ให้ทำคำภาวนาเนี่ยถ้าพุโทโธแล้วก็พอใจก็พุโทโธไปถ้าพอถ้าพุโทโธแล้วก็เบื่อไม่ชอบหาคำอื่นก็ได้เพราะคำคาบริกรรมเนี่ยเป็นเพียงแค่เหยื่อล่อ ที่เราจะดูจริงคือดูจิตที่มันเผลอสมมุติว่าเอาตัวโปเกมอนเลยนะก็โปเกมอนโปเกมอนเป็นคําบริกรรมไปก็ได้มันไม่แปลกคําบริกรรมเนี่ยไม่ไปแปลกเพราะมันเป็นเพียงแค่เหยื่อถ้าเผลอจากคําว่าโปเกมอนเรียกว่าเผลอขอให้มีความสุขให้ใจเนี่ยมีความสุขกับอยู่กับอารมณ์นั้นมันนึกออกไหมกับเด็กๆนะ อันนี้ก็ดูว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงก็ชอบอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าให้เขาออกมาจากสิ่งที่เขาคิดว่าทุกข์ใช่ไหมคะคือให้เขามาอยู่กับทำสมถะอันนี้เรียกว่าถ้าพูดในแง่ของวิชาการก็พลิกจิตมาทำสมถะก่อนจากการจากการที่จมอยู่กับทุกข์เอาให้หลุดจากการการจมนั้นมาทำสมถะก่อนอพอทำสมถะแล้วมีเงื่อนไขว่าสังเกตจิตที่เผลอไป นี่พอทำสมถะด้วยอารมณ์ที่เขาชอบมันจะทำได้นานพอทำได้นานก็จะมีกำลังจิตก็มีกำลังแต่เดี๋ยวก็คิดซึ่งธรรมดาก็รอบใจมันเรื่องธรรมดานะเผลอบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่เผลอให้รูนะ้อย่าให้เผล อ, อนานแต่ว่าให้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อย <ไป S 1> ๆอยแล้วอายุมากขึ้นโตขึ้นก็จะเปลี่ยนอารมณ์ไม่เอาแล้วโ <c oughs> <c oughs> ปเกมอน <c oughs> จะเป็นตัวใหญ่ๆขึ้น <c oughs> อาจจะไม่ต้องไม่ต้องมีตัวล่อแล้วก็ได้อาจจะดีใจมีความสุขใจที่การเห็นลมหายใจได้เองก็ได้หลวง่ะบางทีมีนะบาง ท, างทีอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็ให้อะไรหยิบเอาอะไรก็ได้บางทีก็ เมื่อเช้าเ ม, เมื่อกลางวันกินอะไรเมื่อวันกินข้าวต้มเอาคำว่ า, ข, าข้าวต้มเป็นคําบริกรรมก็ได้กินข้าวต้มแล้วมีความสุขอร่อยยังฝีมือแม่ครัวนี่ดีจังเลยนะเอาคําว่าข้าวต้มข้าวต้มนึกคําว่าข้าวต้มข้าวต้มแล้วเผลอจากคํานี้มาไหลให้รู้ทันคือจริงๆเป็นแค่เหยื่อล่อคําบริกรรมเป็นแค่เหยื่อล่อที่เราต้องการดูคือจิตที่เผลอไป ขอให้มีเงื่อนไขอย่างเดียวคำนั้นอย่าเป็นคำที่ยั่วกิเลสหรือว่าภาพที่โผล่ขึ้นมาจากคำนั้นอย่าเป็นภาพแบบยั่วกิเลสอย่าให้เป็นยั่วโทสะอย่าให้ยั่วราคะนึกออกไหมกิเลส ต, ตัวใหญ่ๆนี่้ยคะโอเค คําแนะนำของของพ่อจายเนี่ยคือ <laughs> คือ <laughs> เรียกอะไรนอ <laughs> <laughs> หลวงพ่อก็เกรงใจ <laughs> <c oughs> คื อ, อ, อคําถามค่ะว่าคําแนะนำเมื่อกี้คือเป็นอุตสโลบายเพื่อให้เด็กออกจากอารมณ์ที่เป็นอกนุศลใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นการทําสมถะอย่างหนึ่งค่ะ <c oughs> ถ้าในทางกลับกัน <c oughs> ถ้าเด็กเกิดในภาวะที่เป็น อหมายถึงความอยากอยากอยากเช่นอยากอยากได้ของเล่นอ่าอารมณ์นั้นัอหมายถึงว่ายังไม่มีหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเขาไปเห็นของเล่นหรือเขาอยากจะเล่นเกมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนั้นคือในฐานะพ่อแม่ที่ที่อพอจะมีความรู้เรื่องพวกนี้บ้างอยากจะแนะนําก็คือเราควรจะ เรียกอะไรชี้ชี้นำให้เขาเห็นว่าในความรู้สึกของเขาน่ยตอนนั้นหรือหรือเป็นการใช้กุศโลบายอื่นๆเพื่อเปลี่ยนเบนความสนใจได้ทั้งคู่มันจะเป็นในเคสในลักษณะนั้นคือเราจะเป็นนอกเปลี่ยงเบนความสนใจเขาหรือเปล่าเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นใช้กุศโลบายว่าให้เขารู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัว หรือว่าชีชว่าเขากาลังเกิดความรู้สึกอยากนะตอนนั้นอ๋อในกรณีที่กำลังไม่สบายใจเขากำลังมีโทสะกำลังหงุดหงิดเนี่ยนะมันเป็นการง่ายกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอารมณนะ์แล้วพอเปลี่ยนมาหน้าเดี๋ยวมันก็เนื่องจากความหงุดหงิดเมื่อกี้เนี่ยมันมันอะไรถ้าเราให้ดูมันจะเป็นการยั่วย้างหงุดหงิดมากขึ้น แล้วก็ไม่พร้อมที่จะมารับรู้อะไรดังนั้นแทนที่จะชี้ให้ดูเลยจ้าจี้จำชัยนะก็ยิ่งโกรธใหญ่ก็เปลี่ยนอารมณ์ก่อนเปลี่ยนอารมณ์ไปสักพักนึงอาจจะชี้ให้ดูก็เห็นว่าเมื่อกี้นี้มีความโกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการเกิดดับแต่เป็นการเกิดดับด้วยการคิดนําก็เอาคิดนําก็คิดนําไปก่อนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็เห็นจิตที่มันเผลอไปอาจจะเผลอไปเรื่องเดิมที่หงุดหงิดเมื่อกี้หรือเรื่องใหม่ก็ได้ที่เป็นเรื่องทั่วๆไปก็ได้เด็กก็จะคิด สเปสศปะก็พอๆพอกับเรานั่นแหละอันนี้ในแง่ของถ้าโกรธถ้าหุ่นหงิดนี้ถ้าอยากถ้าอยากมีความอยากจะเล่นเกมสมมติลเล่นเกมจะเล่นเกมก็หนูว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เราอนุญาตได้หรือเปล่ามันอยู่ในเงื่อนไขไหมเวลานี้อนุญาตให้เล่นได้ไหมถ้าไม่อนุญาตให้เล่นมันอยู่ในเงื่อนไขที่เราเคยตกลงกับลูกเอาไว้ก็อธิบายให้ให้รู้ว่า หมดเวลาแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของวินัยเรื่องของกติกาในบ้านถ้าพูดในแง่พระก็เรียกว่าเรื่องของศีลอย่างในกรณีที่ว่าสมมุติว่าเด็กเห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์เห็นเห็นโทรศัพท์ของพ่อแม่หรือเห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์อ่าแล้วก็เข้าไปเข้าไปเล่นเล่นคล้ายๆกันเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่นว่าเด็กเก่งหเห็นโทรศัพท์แม่ แล้วเข้าไปเล่นเข้าไปหรือว่าเห็นเห็นคนอื่นเล่นอยู่โทรศัพท์เล่นเกมแล้วตัวเองก็เข้าไปดู <c oughs> เข้าไปชะเง้อชะงแงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออันนั้นคือเราอาจจะเราสามารถที่จะชี้ความรู้สึกให้เขาเห็นได้ไหมคะได้ไม่อาจจะเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกอยากอ อ, อยู่ในนั้นด้วยได้กรณีแค่ว่าแค่ชะเงอนะถ้าแค่ชะเง้อเนี่ยชี้ให้ดูว่าเนี่ย กำลังมีความอยากเห็นไหมชี้ให้ดูได้แต่ถ้าเขาเริ่มหยิบแล้วเนี่ยต้องต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าแม่จะเป็นของแม่ไม่ใช่เป็นคนอื่นนะแต่ว่าแม่ยังไม่อนุญาตมาหยิบเนี่ยผิดกติกานะต้องให้เขาเรียนรู้ถึงเรื่องของการเคารพสิทธิในสิ่งของด้วยไม่ใช่หยิบมั่วๆหยิบเห็นแล้วก็หยิบหยิบได้ มันจะกลายเป็นว่าไม่ทันได้ยับยั้งชั่งใจหรือไม่ทันได้ดูกิเลส ต, ตัวเองแล้วก็หยิบไปเลยแล้วมันจะมาส่งผลภายหลังมันจะมีความคล่องใจในศีลของตัวเองอาตมานะตอนเด็กๆอยากกินทองหยอดน่าสงสารมากอยากกินทองหยอดแม่ไม่อยู่ตอนอยากกินทองหยอดแล้วแม่ไม่อยู่ หันซ้ายขวาแม่ไม่อยู่แต่รู้วตูวนี้มีตังค์แม่เก็บเอาไว้ตัวเล็กๆนะ <c oughs> กุาควานหาอาได้แล้วได้ตังค์ไปเอาไปตลาดได้มาสองบาทบาทหนึ่งหรือสองบาทจะไม่ได้แล้วแม่ค้าโกุาขายให้นะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มทองหยอดให้สองชิ้น <c oughs> อ้ได้ดีใจแล้วได้สองได้ทองหยอดกิน มาบวชพระเนี่ยมันนึกถึงอยู่ๆนะมันนึกถึงเฮย้ยเราเคยขโมยเงินแม่แม่รู้แล้วว่าแม่ไม่หวงหรอกแต่ว่าเอามาโดยนะไม่ได้ไม่ได้บอกแม่ก่อนไม่บอกก่อนยังไม่เป็นไรถ้าไปบอกทีหลังแต่นี้ไม่ได้บอกเลยเหตุการณ์นี้แม่ไม่รู้เรื่องเลยทองหยอดเข้ามาในท้องเรียบร้อยกลายเป็นอุจจาระเรียบร้อยแล้วมาบวชแล้วนะต้องหาโอกาสกลับมาบ้านมาบอกแม่ บอกโยมแม่ว่าครั้งหนึ่งแม่จำไม่ได้หรอกแต่อนรมาจำได้ว่าเคยหยิบตังในตู้แม่เนี่ยไปซื้อทองหยอดโดยไม่ได้บอกแม่ก่อนขอข อ, นะขอนะว่าที่เอาไปเนะี่ยเป็นการบอกกล่าวอย่างนี้เรียกว่าถือวิสาสะแต่ถือวิสาสะไม่ใช่หยิบแล้วไม่บอกต้องหยิบแล้วเอต้องถ้าหยิบแล้วต้องบอกกับเจ้าของด้วย การเคารพสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการรักษาศีลถ้าเราฝึกให้เขารักษาตัวนี้ได้เนี่ยจะพัฒนาตัวเขาแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีความขุ่นข้องหมองใจในภายหลังเมื่อเกิดอยากดีอยากอยากปฏิบัติธรรมขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาเศร้าหมองใจฝึกเอาไว้จบที่ทองหยอด <laughs> จบได้หวานมาก <laughs> พอสมควร น, นะเพราะว่าเดี๋ยวอาตมาต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่ง